ออกกขกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบวิศวการหมู่สปณะและภิสุทธิทุรูปด้วยความเคารพครั บ, รบเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนราช ธ, ธานีโศกและอยู่ที่บ้านทุกๆคนวันนี้ก็พบกับรายการวิธีอริยธรรมเช่นเคยในวันทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่เวลา 9น า, าิกาถึง11บเนาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28่ดกรกฎาคม2 5งรหหแรมหกข้าเดือนแปดปีมะเส็งรายการวิธีอริยธรรมวันนี้ก็ยังจัดอยู่ที่บ้านราษเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ำบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธิ์เมืองอมะตะนะเพราะว่าพอครูก็จำพรรษาอยู่ที่ พุทธฐานราชธานีอโศกในพรรษานี้นะสำหรับวันนี้นะพรอครูก็คงจะแสดงธรรมในเรื่องที่ลึกซึ้งในด้านปรัชญธรรมเป็นอภิธรรมขั้นลึกซึ้งซึ่งเราจะต้องตั้งใจฟังอย่างยิ่งนะเขาเรียกว่าไทยภาษาไทยปยยิดอกเรียกว่าเงี้ยโสดสดับฟังนะเงี้ยโสเนี่ยไม่ใช่เอาหูไปอย่างอื่นนะเอาหูตะแคงหูฟังอ่ะนะเขาเรียกตะแคงหูฟังอ่ะนะถ้าไม่ตะแคงหูฟังไม่รู้เรื่อง แต่ก่อนก็งงทำไมต้องเงีย้ยโสตดับฟังเออเราเข้าใจละเพราะถ้าไม่เงีย้ยโสตดับฟังมันไม่รู้เรื่องจริงเพราะว่ามันฟังแบบเพลินๆไปมไม่รู้เรื่องนะต้องเงีย้ยโสตดับฟังคือตะแคงหูฟังเง่ายๆต้องตะแคงหูฟังให้รู้เรื่องเลยว่าตั้งใจฟังคอนเสิรตภาษาอังกฤษก็คือมีสมาธิที่จะตั้งใจฟังจริงๆ อย่างอื่นจะต้องตัดทิ้งอ่ะสมัยโบราณเขาบอกอ้าเขาบอกมาฟังเทเลไฟไม้บ้านแล้วเขบอกอ้ไม่ไปก่อนให้ไหม้ก่อนเดี๋ยวฟังเทเ้จบกันนะ <S <S น <S <S หมดแล้วเขบอกว่าหมดเดี๋ยวไปสร้างใหม่บ้านนะฟังเทเลก่อนอะไรเงี้ยคือเราฟังแล้วเราก็ซึ้งใจเราโอ้โเข้าแบบใส่ใจธรรมะถึงขนาดนี้ว่าไฟไม้บ้านก็ไม่เป็นไรลักเดี๋ยวว่าสร้างใหม่ได้ไม่เป็นหามบ้านมีเงินมีทองสร้างใหม่อยู่แต่ธรรมะเนี่ยมันนี่มีโอ ก, กาสที่จะฟังใหม่ได้เพราะว่าจบกันนี้กันต่อไปมันก็ไม่เหมือนกันนี้และนะมันก็คนละกันกันไม่เหมือนกันนะ วันนี้พ่ะครัวคงนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการเกิดนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าทำาเข้าใจกับมนุษย์นะที่ว่าการเกิดมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เขาโยคนจะรู้การเกิดอะไรการเกิดเป็นชีวิตการเกิดเป็นดาราการเกิดเป็นนายกหรือว่าเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นช้างนะเกิดเมาเกิดเป็นห้องเต้หรือจะเกิดเป็น สันรกด้วยเกิดเป็นเทวดาเกิดในเทวดาเกิดเป็นสัตว์นรกหรือจอยต้องรู้จริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะต้องรู้ต้องเห็นแจ้งว่าโอ้นี่เรากําลังเกิดเป็นสัตว์นรกนี่กําลังเรากำลังเกิดเป็นเทวดาครับให้รู้ในเทวดาอย่างไรสมมุติเทพหรืออุปัติเทพครับเราต้องรู้แจ้งเห็นจริงนะไม่ใช่พูดปากๆเล่นเงั้นต่อเลยครับต่อเลยครับอ๋อโยนลูกเลยครับเพราะว่าคุณหลับไปแล้ว เอาเลยนะเอาละได้มีเวลาเยอะๆนะเพราะอาตมานี่มันยังมีเยอะเหลือเกินที่จะพูดนี่แม่ทําไมไม่รู้เทวดาเจาะปากมาให้พูดจริงๆนะจะต้องพูดและพูดเอาจริงเอาจั ง, จงนะอาตมาเวลาพูดธรรมมาเนี่ยอาตมาไม่เหล่ะแหละพูดเอาจริงเอาจังจงกระทั้งแปดเจ็ศูนย์ห้าเขาบอกว่าโอ้ ทำไมถึงเป็นหน้านรกอย่างนั้นเขาว่าหน้าอาตมาเป็นสัตว์นรกเลยมันเครียดเขาว่ามันเข้มเขามองจากอาการนะคุณแปดจ็สุนาเขามองเอาจากอาการของอาตมาเนี่ยแล้วเขาก็อ่านจากอาการนี่แหละนะยืนยันจากอาการของอาตมาเนี่อาตมาก็เขาใจเข้าใจก็ เ, เห็นใจเขามืากันว่าเขาลงลงที่ลูกทางคําสอนพระเจ้าที่พระเจ้าท่านสอนว่าอย่ามาเอาอ่านตามอาการนะ นะมาอาการปริปริวิต ก, กะนะมาอาการปริวิต ก, กะเนี่ยเดาเอาตามอาการมันเป็นการเดาเอาตามอาการซึ่งเดาเอาตามอาการแล้วกบมาเดาว่าอาตมานี้น่าดำครํำเครียดเคร่งคุณมองให้เป็นว่าอาตมาเอาจริงเอาจังเท่านั้นก็น่าจะได้ที่จริงนะอาตมาถึงแม้เวลาตอนบรรยายเคร่งเครียดดูเคร่งเครียด แต่เขยิ้มมันหวักห ว, วักยิ้มยิ้มมัน ม, มันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมันมันเอาจริงเอาจังอ่ะลักษณะการเอาจริงเอาจังกับลักษณะเคร่งครียดเนี่ยคุณแปลผิดคุณอ่านตามอาการแต่แปลลักษณะนี้ผิดเพราะคุณอคุณลบหลู่ใจอัตมา ก, ก็เลยไปอ่านเพี้ยนผิดไปอย่างเงี้คนมองสองเลียนเรียนสองด้านเนี่ยจะจะมองแบบเนี้ยมอง สิ่งนี้อย่างนี้แทนที่จะเป็นอย่างอย่างด้านดีกลับไปมองด้านด้านเลวมันก็เลยผิดอยู่เรื่อยก็เข้าใจชาเข้าใจยากน ะ, ะวันนี้ไหนๆก็พูดถึงคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเลยก็จะขอเอาคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยแหละเป็นหลักเป็นหลักอาตมาเนี่ยดเออก็น่าขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยอาตมาได้ควักลิ้นชัก โอ้โ oh, หข้อก็มาข้ก็มาเมื่อเช้าเนี่ย oh, ข้อกมาโอ้โหเพชรปากฏอีกตาพร่าเลยอจะมาเหลื่อมตามันเหลื่อมตาตาพราเลยเนาะโอ้โห oh, วันนี้เดี๋ยวจะได้เอาเพชรเม็ดนี้มาพูดกันวันนี้บอกเล่าสู่กันฟังบาง้างเพราะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าแท้ๆเป็นเหตุเป็นเหตุที่ขอบคุณต้องขอบคุณ กรกะตุกให้อัตมาต้องเอ๊ต้องตรวจสอบว่ามันอะไรคุณแป0เจศนย์ห้านมาจี้เราเรื่องอะไรมันไม่เห็นจะต้องจี้เราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาเหตุของเขาจี้นี่แหละเช่นคุณแ7 0เจศหได้เอสเมสมาว่าฝึกแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนะฝึกแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ฝึกใจที่ตั้งอยู่ที่หัทไทยรูป นั่นแน่พูดเก่งเลยนะใจที่ตั้งอยู่ที่หัตถายรูปชักเข้าท่าเข้าท่าชักเปลี่ยนหัตถยรูปจากไอ้หัวใจดวงดวงนี้ออกมาม า, มาอยู่ที่เป็นสภาพแต่ว่าหัวใจฝึกใจที่ตั้งอยู่ที่หัตยรูปแล้วไม่เอาอหัตทายรูปนี่หรือว่าจะไปหมายถึงหัวใจดวงในหน่วยหน่วยสี่ห้องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ เออจังจะมาอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านาะคุณแปดเจ็ดศูนย์ฮะว่าหัตยรูปนี่มันไม่ใช่ตรงนี้หัยรูปเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันเคลื่อนที่ไปไหนก็นแล้วแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยครบมันก็จะเกิดที่นั่นนาเรียว่าหัตยรูปนะที่ตรงนั้นถูกรู้ตรงนั้นเลยถูกรู้ตรงไห น, นตรงนั้นหัตถายรูปนาบอกว่าฝึกแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ฝึกใจที่ตั้งอยู่ที่หัยรูปอสอก จึงเป็นพวกที่ใจบอดแล้ว <c oughs> วันนี้จะได้ฟังกันบ้างว่าไอใจบอดนะ่ะใครบอดใครใจใครบอดใจใครเราไม่พูดแล้วว่าใจเราไม่บอดนะแต่ใครแต่ใจใครจะบอดแล้วก็ตรวจสอบเอาเองนั่งไปว่ากันไปเด้ก็โทษกันปเปล่าๆนะเดี๋ยวจะได้ว่ากันต่อไปนะคุณศูนย์เจ็ดห้าสองบอกมาว่า ทำไมไม่เชิญสิขมาศอื่นมามั่งมีแต่หน้าเดิมเดิมหรือว่าท่านทั้งสี่ติดพบอยู่สิขมาศสี่รูปขึ้นเมื่อวานนี้อ่าและบอกว่าสิสขมาศสี่รูปนี่ติดพบซะละไม่เอา อ, องค์อื่นมาเลยเห็นทีไรก็มีแต่สี่รูปเนี่ยสี่รูปนี่ก็ฟังไปเถอะองค์อื่นๆก็ได้ก็แบ่งกันบ้างมาอะไรกันบ้างก็ถนัดหรือบางทีมันก็มีหลายอย่างท่านท่าน ก็ว่ากันไปหน้าเราก็มีมากกว่สี่รูปอยู่หรอกสี่รูปครึ่งห้ารูปครึ่งแล้ก็มีอยู่นะสิกามาแล้วก็มีไม่มากครับอ่าสิกามาเรามียี่สิบติดยิบหกใช่ไหมยี่สามเออเหลือยี่สามเองเหรอครับเออตายไปบ้างอะไรบ้างโอ้ตายไปบ้างเหลือไปบ้างเหลือยี่สามเองไอ้ที่เหลือก็มีแก่มากก็มีแก่เลยนะเดินโค้งนะหลังคงอะไร่างเ สุกภาพเก้าสรริบละเก้าสิบเก้าสิบเท่าไรแล้วเนี่ยสิกมาพฤษีแปดสิบเก้ายังไม่เก้าสิบเหรออ๋อแล้วสิกมาศอ่านตนน่ะเท่าไหร่จําได้ไหมแปดสิบห้าเล้วออาตมาจะไม่ยอมแปดสิบห้าไม่ยอมโกงเนี่ยจะเดินเมื่อกี้เนี่ยเคยเห็นโยมนาธานมาเดินอย่างงี้ละโยมนาธาน อ่าอัตมาไม่เอาจะต้องพยายามนะอ่ะเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องมากไปอ่ก็มีติฆมาศก็ค่อยๆตามฟังนาะติฆมาศนั้นนี่ก็ค่อยๆทยอยกันมาบ้างก็มันมีอยู่แคนะ่นั้นหยิบสามรูปก็ดเท่าแก่ไปสักก็ทั้งหลายรูปอ่า น, นอกจะไม่แก่แล้วก็แต่ว่าถนัดทางด้านที่เรื่อว่ามันถนัดทางธรรมอ่ะไม่ถนัดทางพูดเท่าไหร่ก็อีกตั้งหลายรูปอ่าแต่ท่านก็ทําไปสี่รูปนี่จะขึ้นมาก็เดิน เข็นมาเยอะเลยเข็นกันขึ้นมาตั้งก็ได้กันขนาดนี้ก็บุญด้วนะนะเอาทีนี้ย้อนไปที่เอสเอ็มเอของของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าในวันที่ยี่สิบหกอันนี้จะยาวนิดนึ่งยี่สิบเจ็ดนิ้นั่นแหละนิดหน่อยยับยับมาบางอันธรรมาไม่อ่านของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าอ่านอันเดียวอันนี้แหละนะ อันอื่นๆก็ไม่อะไรหรอกเพราะว่าว่าพ่องอัตมาว่าอยากเชื่อว่าธรรมะของอโศกเหมือนสปอตโฆษณาที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะต้องต้องการโฆษณาชวนเชื่ออะไรนี้เช่นต้นก็ว่าไปก็คุณแปดเจสุน่าเขว่าไปตามทิฏฐิหรือว่าชิงคิดขออภัยครับถ้าว่าธรรมะอโศกซ้ำเนี่ยที่อื่นจะสุดแสนซ้ำเลยครับใช่ ซ้ำยิ่งกว่าของเราเพราะว่าซ้ำยิ่งกว่าเลยพวกที่นั่งหลับตานี่ไม่ต้องไปพูดเลยพูดซ้ำวนผมฟังแตง่เด็กเย็นถึงปัจจุบันก็ซ้ำเหมือนเดิมเหมือนกันไม่ได้คลี่คลายอะไ ร, รอาตมานี่วาตมาขยายพิสดารไปเจอเลยนะแต่แน่นอนไม่ได้ทิ้งหลักเช่นเดียวกันกับที่คุณแปดเจ็ดูนย์ห้าบอกว่าฝึกแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ฝึกใจนี่แหละแสดงว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียด อัตมาบอกเสมอว่าคำว่าคำว่าก า, ายโยหรือกายะเนี่ยสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสห้าทวา น, นี้แล้วเนี่ยสัมผัสเมื่อใดใจอยู่ด้วยเมื่อนั้นพูดแล้วพูดอีกจนอัตมาเออไม่ได้เก็บน้ำลายไว้เนาะว่าจะได้คิดปี๊บพูดไป ซ้ำแล้วซ้ำอีกต่างอย่างที่คุณแปดเจศนว่านั่นแหละซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คุณแปดเจ็ดศนย์ห้าก็ยังเผินยังจับไม่ได้ว่าอาตมาบอกแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายในสัมผัสเมื่อใดายใจอยู่กับทวารห้านี่เมื่อ น, นั้นคําว่ากายโยจึงขาดใจไม่ได้พูดแล้วพูดอีกพูดอีกพูดแล้วถ้าบอกว่าคําว่ากายเนี่ยของพระเจ้าจึงสําคัญมาก ที่คนเข้าใจไม่ได้อย่างที่อาตมาพูดตัดกายไปเป็นร่างไปเป็นร่างเป็นมหาภูตารูปเท่านั้นจบเลยอาตมาก็อธิบายอธิบายก็ทวนอีกพูดซ้ําอีกนะฟังซ้ําก็แล้วกันอย่าหาว่าว่าอาตมาบอกว่ายังจาได้ว่าไอ้ลูกฟักข้าวนี่นะมันเป็นผีชะเท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งขานที่มีวิ ญ, ญญาณ มันมีผีช้ามันมีชีวะก็ตามจับมันกระแทกอะไรไงพวกนี้อยู่กระทบกระแทกมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีใจมันไม่มีวิญญาณนะยิ่งอื่นๆมหาพูทธรูปมันมีวิญญาณมันมีแต่รูปนั้นไม่มีนามถึงแม้มันจะมีพลังงานในระดับที่พอจะมีชีวะอะไรขึ้นมาบ้างมีอัตโนมัติในตัวมันเองเพราะสมควรเป็นผีชนียามก็ตาม เพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้นะการการกระทบภาษะนะพ <c oughs> ระครูที่บายถึงว่ารูปที่เห็นอยู่เนี่ยพราะครูถึงฟักข้าวใช่ไหมเราก็มาดูฟักทองนะตอนเนี้ย <c oughs> ที่มันเหลืองอารามอยู่ต่อห น, น้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องครับมันนาโหกับฟักทองมันกองอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันมันอยู่บนไอ้ฟักทองนะ <c oughs> แต่คนนี่นี่แหละสําคัญของพระเจ้าต้องศึกษาสัมผัส การสัมผัสจึงเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้นที่ว่าอาตมามาเนี่ยคุณว่าอย่างที่ไม่ไม่ทราบชัดฟังไม่ได้สับจับประเดีนอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็บอกว่าอาโศกจึงเป็นพวกที่ใจบอดแล้วนนี่แหละวันนี้จะได้พูดคําว่าบอดกับคาว่าคําว่ามืดหรือบอดกับคำว่าสว่างกันพอสมควรจะตั้งใจรอไว้อ่าเอาเวทมณนต์ น่ะเดียวแทได้รู้เรื่องกันนะทีนี้ของคุณสองหนึ่งนะเอาคุณสองหนึ่งของของวันที่ยี่หกคุณสองหนึ่งบอกมาว่าขอให้พ่อท่านอธิบายเรื่องนิพพานเป็นเป็ น, ปนอ่ะขอให้อธิบายเรื่องนิพพานเป็นเป็นยังไม่ตายกับอรหันยังกลับมาเกิดเป็นคนอีกไม่ต้องขอหรอกสนองพระเดชพระคุณอยู่ตลอดเวลา ที่อาตมาพูดนี่คือผู้นิพพานเป็นเป็นและก็พูดถึงเรื่องอรหันยังกลับมาเกิดเป็นคนอีกอยู่ตลอดเวลาฟังให้ดีเลยฟังให้ได้รับจะได้จับมากระเดียดถูกฟังจริงๆตั้งใจฟังจริงๆนิพพานเป็นเป็นคือผู้ที่รู้จักภาวะที่ทำปฏิบัติแล้วให้เขาไปถึงสภาวะนิพพานนั้นได้ โดยมีเหตุปัจจัยประกอบถ้าเหตุปัจจัยไม่ครบนิพพานไม่เกิดเมื่อเกิดแล้วผู้นั้นจะรู้เองเป็นปัจจตัจตงเวทิตาโพวินยุหิและการรู้ของพุทธนั้นเป็นการรู้อย่างแจ้งแจ้งสว่างเปิดเปิดไม่ใช่ไปทำนิพพานมืดมืดนิพพานดับดับนิพพานไม่รู้เรื่องนิพพานเป็นแมกซิคอลนะนิพพานเป็นเรื่องที่โอ้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเรื่องที่ มืดเป็น black black hole เป็นหลุมดำอ่าเป็นหลุมดำวันนี้จะได้ขยายความเป็นหลุมดำหรือความเป็น Bermuda Triangle ก็ได้นี่จะได้พูดถึงวันนี้นะเขาตั้งใจฟังไปดีๆซึ่งจะเทียบกับ ธรรมะของพระเจ้านั้นเมื่อบรรลุแล้วจะเกิดจักขุยานปัญญาญาณวิชาแสงสว่างซึ่งการบรรลุของพระพุทธเจ้านั้นต่างกันกับพวกที่ไปหายเข้าไปในเบอร์อรมิดาทรายงโกหรือเข้าไปตกอยู่ในแบล็คโฮลอยู่ในหลุมดำ เดี๋ยวจะไอ้สาธยายว่ามันมีไหมมันมีอย่างนี้จริงๆในมนุษยชาติแลวเขาก็ไต่ตกอย่างนี้จริงๆเช่นเดียวกันกันกบอาลานดาบทกับอุทโธดาบทที่ได้ปฏิบัตินั่งหลับตาสมาธินีจตายไปก็ไปอยู่ที่แบกโคนนั่นละคือนรกมืดอีกนานเท่านานหายไปสูบเหมือนกระท่าเผะว่า เห็นนี่เป็นวัตถุที่มันไม่ต่างกันนะวัตถุกับนามเนี่ยถ้าเข้าใจทุกอย่างมันซ้อนกันละมัดเดียวกันอขาจมาหยิบมาพูดเสมอเลยนะมันจะเข้าใจมันจะเห็นจริงเลยนะพอไปตกอย่างเบอร์บิดา้าทรแองเกลิลเนี่ยอะไรเข้าไปตกเขาไปทงนั้นหายวับไปเลยลิฟหายไปศูนเลยมันเหมือนนิพพานเลยหายไปเลยนิพพาน แต่มืดไม่รู้เรื่องกันหรอกหายไปจะอยู่หรือไม่อยู่จะไปเป็นอะไรไม่มีใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแมกจิกจริงๆมันเป็นเรื่องของความดํามืดเป็นเรื่ความลึกลับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เอามาพูดไม่ได้เอามาบรรยายไม่ได้เอามาพิสูจน์ไม่ได้ แต่ตอาตมากำลังจะฉายภาพนะแม็กจิกแลนทอนนะกำลังเป็นเครื่องฉายภาพที่จะฉายให้พวกคุณดูนะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะรู้ได้นะอาตมายืนยันว่าอาตมาไม่ใช่พวก แมจิเชียนอาตมาไม่ใช่พวกแมกจิเชียนแต่อาตมาเป็นแมจิเอรเลอาตมาเป็นแมกจิเตอรเรลเป็นผู้ที่เชื่อถือได้เป็นพวกที่เชื่อถือได้มีหลักฐานมีหลักฐานในฐา น, นาที่เป็นผู้ที่ ร, ร, ร, ร, นะ ร, รู้รู้ความจริงอะอาตมาขอยืนยันว่าอาตมารู้ความจริงนะเพราะงั้นอาตมาก็ขอทำหน้าที่เป็นแมกจิสเทรซีนะขอยืนยันว่าอาตมาเป็นขอเป็นแมจิทเซทซีนะที่จะวันนี้ขอใช้ภาษาฝรั่งเ ท, ท, ท่พอสมควรกนะ็จะทำหน้าที่เป็นแมกจิ ดุษฎีสตรีเป็นผู้พิพากษาเป็นพนักงานผู้ที่จะทำการตัดสินอะไรนี่ไปหน่อยนะอ้าวที่นี่มาว่ากันเอาของคุณแปด5จศูนย์ห้ามาอ่านตั้งแต่ยี่หกวันที่ยี่หกที่ว่ามามีหลายหน้าเหมือนกันจะอ่านไปก่อนแล้วก็จะขยายความนิดหน่อย เวลาสองชั่วโมงวันนี้คงพอจะขยายความได้พอสมควรนะ8705วา่างนี้การที่เรียกว่ารู้แจ้งรูปนะรู้แจ้งรูปทั้งหลายได้ก็คือเช่นการเห็นภาพการได้ยินเสียงการดมกลิ่นการลิมรสการถูกต้องโพธพภะ รวมทั้งห้านี้ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรู้แจ้งธรรมารมอฟังดีๆนะห้าท้าห้าทวานี่เมื่อมันสัมผัสมันรู้แล้วรู้ห้าทวานี้รวมเนี่ยถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่เป็นที่เป็นรูปรู้แจ้งธรรมารมที่เป็นรูปห้าทวานี้ถ้าไปแตะเข้ากัรู้สิ่งที่เป็นรูปเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นมนุษย์นะคุณความเห็นของคุณแปดจตสุนาซึ่งถ้าเป็นมนุษย์ปกติที่มีอาการครบสามสิบสองไม่หูหนวกตาบอดก็ย่อมที่จะสามารถรู้แจ้งธรรมารมทั้งห้าชนิดได้อยู่แล้วว่างั้นซึ่งขอแวะตรงนี้นิดหนึ่งขออาตมาขอวิจัยวิภาคนิดหนึ่งว่าคุณนี่ใช้คำว่าธรรมารมที่เป็นรูป อาตมาก็ขอใช้ของอาตมาว่าห้าอันนั้นเราไม่เรียกธรรมารมเราเรียกโพธพารมแต่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็เอาธรรมารมมายัดใส่ห้าอย่างนี่ที่เป็นโพธพารมเป็นการรู้โดยสัมผัสห้าทวารสุธรรมารมนี่เป็นการรู้ข้างในบางทีข้างในอย่างเดียวแต่จะรวมเอาธรรมารมมารวมทั้งนอกด้วยก็ได้ ถ้าเผื่อว่าคุณชัดเจนแล้วแต่ถ้าคุณไม่ชัดเจนคุณจะต้องรู้ว่าถ้าจะพูดถึงข้างนอกนั้นตัวที่ควรรู้ก่อนคือคำว่าโพธิพารมไม่จะธัรมารมธรรมา ร, รมนั้นมันลึกละเอียดรวมกว้างกว่าเช่นเดียวกับคำว่ารูปกายกับนามกายคำว่ารูปกายเนี่ยหยาบ ก, กว่าแต่รู้รวมหมดทั้งหมดหกทวานเลยรูปกาย ตาหูจมูกดินกายและมีใจร่วมด้วยรูปกายกายแปลว่าองค์ประชุมของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขาดตกหกลน่นส่วนถ้าพูดเขาว่านามกกายนะี่เป็นบริบทที่กํากับเลยว่าละไว้เรื่องรูปเรื่องรูปละไว้นะให้พูดถึงนามกกายแต่ถ้าพูดกันอีกนัยยะหนึ่งจะพูดถึงนามจะพูดถึงรูปด้วยก็ ต้องต่อเนื่องกันอยู่ถึงจะครบทุกอย่างที่จะมีแต่ถ้าพวกก็คือจ ำ, จำกัดจำกัดให้เป็นบริบทนี้ว่า น, นามกายคือองค์ประชุมของนามเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันธรรมารมจำกัดได้โพธภารมก็จำกัดได้แโพธภารมไม่เป็นธรรมารม นนี่บอกว่าเนี่ยการรู้แจ้งรูปนี้เป็นธรรมารมณ์เท่านั้นรูปทั้งห้านี่มั้งซึ่งมันก็เพี้ยนกับอาตมาอาตมาบอกถ้าจะรู้ทั้งหา้านั้นต้องบอกโพธิพารมจํากัดอยู่ที่ตรงนี้อจำกัดอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมไปเหลื่อมกับไปทาธรรมารมณมันก็ได้แต่ว่าอันนั้นเรายังไม่พูดเพราะชัดๆโพธิพารมี้มันหมายเอาห้าทวาร น, นี้ชัดๆโพธิพารมท่านไม่ไปพูดเลยเถิดก็ไปถึงข้างในจิต นะซึ่งถ้าเป็นมนุษย์ปกติมีอาการครบส2มสิบสองไม่หูหนวกตาบอด ก, ก็ย่อมจะสามารถแจ้งธรรมารมตั้งห้าชนิดนั้นได้อยู่แล้วว่างั้นเอามาเอาธรรมารมมาใช้โพธภพารมนี่แหละคือมันยังมันยังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเอาฟ้าโรผิดกันอยู่สำหรับคุณคุณแปจสุนาอัตมาเข้าใจนะก็นับถือที่มีการละเอียดนับถือนะคุณแป5จนสะุนานี่ยยังละเอียดอะไรเยอะ แต่แน่นอนคุณ8ปดเจุน า, า, านี่ยสายศรัทธาศรัทธานุสารีแต่อัตมามันสายธรรมานุสารีนะเพราะฉะนั้นถ้าเผิดอว่าคุณ8ปดจุนาไม่ปฏิเสธแล้วปฏิบัติตามที่อัตมาว่าบ้างจะไปได้ดีจะไปได้ดีทีเดียวเพราะมีพื้นฐานทางข้างในเนแต่ข้างนอกไม่เอาเนี่ยทีนี้มามาว่าอัตมาว่าไม่เอาข้างในใจบอดอัตมาก็ว่า อาตมาก็บอกว่าอย่างที่คุณรู้คุณเป็นอาตมาเป็นอาตมามีคุณก็ไม่เชื่อร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อท่นนี้ท่นี้ตกน้ําปมแปมที่ไม่เชื่อเนีคุณไปจัดสินทาไปเชื่อสักอย่างไม่ยอมเชื่ออ้เจ้อาตมาบอกว่าอย่างงั้นนะอาตมาเล่นมาแล้วแต่อาตมาไม่ย้ําไม่ได้พูดย้ามากว่าเราเป็นมันอวดตัวไปเนีอย่างงู้นอย่างนี้อาตมาเป็นอาตมาได้อาตมามีอาตมาได้ทั้งนั้นแหะจะเล่นแมกจิคอล์ยังไงก็อาตมาก็เล่นได้นะ จะเล่นมโนมยอัตตาอย่างนั้นอย่างนี้อัตมาก็เล่นมาทั้งนั้น น, ะน่ะะหรือว่าจะจริงไม่จริงในมโนมยอัตตาอัตมาทุกวันนี้รู้แล้วแต่ก่อนนี้ไม่รู้แบ่งไม่ออกว่ามาโนมยะอัตตาอันใดเป็นของหลวงอันใดเป็นของจริงอัตมาแต่ก่อนแบ่งไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้ออกแล้วชัดแล้วอย่างนี้เป็นต้น อ, อผู้ที่มีอาการสามสองไม่หูหนวกตาบอกก็ย่อม จะสามารถแจ้งธรรมารมณ์ชนิดหชนิดนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นเพียงแค่การรู้แจ้งธรรมารมณ์ชนิดที่หยาบเท่านั้นเป็นแบ่งว่าหยาบเอาละพอเข้าใจอพ อ, อฟังขึ้นว่าเป็นธรร ม, า, มารมณ์หยาบคือมันคือโพธิารมณ์นั่นเองแต่หากผู้ใดประสงค์จะรู้ธรรมารมณ์ชนิดที่ละเอียดตกลงใช้ภาษาอัตมาไม่เถียงไม่แยง้งเพราะอัตมาเข้าใจสภาวะ นะคุณพูดอย่างนี้คุณเข้าใจของคุณแต่คุณใช้พยัญชนะอันนี้โดยไปเอาไอเทคนิคอลเทิรของอท่านโพธิพารมกับธรรมารมมันสับกันไม่ได้สับเราคุณไม่พูดทึกโพธิพารมเลยคุณพูดถึงธรรมารมแต่หาผู้ใดประสงค์จะรู้แจ้งธรรมารมชนิดทีละเอียดเช่นสามารถไปเห็นรูปกายธรรมารมทีละเอียดสามารถไปเห็นรูปกายของสัตว์โอปปาติกะเปรตหรือเห็นรูปกาย ทิพของเทวดาได้ผู้นั้นก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสก่อนถึงจะสามารถไปรู้แจ้งธรรมารมณ์ทั้งหมดคือรู้แจ้งธรรมารมชนิดทิฏิหยาบและทั้งธรรมารม์ชนิดทิละเอียดได้ในคราวเดียวกันด้วยตกลงอาตมาไม่เถียงไม่แย้งภาษานี้ของคุณอามาคดใจคุณสมมุติว่าโปฐพารมณนี่คือหยาบธรรมารมนี้คือละเอียด แล้วคุณก็บอกเอาธรรมารมไปใช้รวมกันเลยทั้งปมดตถารูมิธรรมารมอโอเคตกลงอัตามาโอเคอถ้าขึ้นเสียสูง ม, มันเป็นคําถามถ้ามันเสียงต่ํามันเป็นคําตอบโอเคอัตามาโอเคอแต่ถึงแม้จะสามารถรู้แจ้งธรรมารมทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ได้ก็ตามถึงแม้รู้แจ้งได้ก็ตามบั ง, งักนเลยนะ ก็ยังถือว่าเป็นแค่นับว่าเป็นการรู้แจ้งเออนับแค่การรู้แจ้งด้วยสัมผัสที่หกว่างั้นเลยนะบอกว่าถ้าสามารถรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทั้งหมดนี้ดังกล่าวนี้ได้ก็ตามยังถือว่าเป็นแค่รู้แจ้งด้วยสัมผัสที่หกรู้แจ้งโดยสัมผัสที่หกนะก็เข้าท่านะอาตมาบอกว่าสัมผัสที่6นี่คือวิปัสสนาญาณ แต่ก็ยังยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจนะยังเถียงอาตมาเยนะว่าอาตมาพูดอะไ ร, รเลอะเทอะนะแต่คุณนี่บอกว่าเป็นการรู้แจ้งด้วยสัมปัตติหก้าของอาตมาก็คือวิปัศนาญาณหรือด้วยมโนวิญญาณแทนที่จะใช้วิปัสสนานบอกว่ามโนวิญญาณเท่านั้นเองนะใช้ด้วยมโนวิญญาณเท่านั้นเดงกก็ไม่ผิดมโนวิญญาณก็หมายถึงรู้ด้วยใจนะ เพราะการรู้แจ้งเยี่ยงนี้พุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงนับว่าในการรู้แจ้งอย่างนี้เอาใจไปรู้นี่นะรู้ด้วยใจรู้ด้วยมโนวิญญาณรู้ด้วยคุณนี่พูดเองนะมโนวิญญาณที่อาตมาใช้ว่าวิปัสสนาญาณแต่คุณนี่บอกว่าใช้มโนวิญญาณหรือสัมปัตติหกเนี่ยเพราะการรู้แจ้งเยี่ยงนี้พุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงนับนะรู้แบบนี้ยังไม่ทรงนับว่าเป็นการรู้แจ้งด้วยวิปัสสนาญาณปฏิเสธเลย ตีทิ้งว่าวิปัจจัยานไม่ใช่สัปปะที่หกไม่ใช่รู้ด้วยมโนวิญญาณหรือด้วยปัญญาอย่างที่เสด็จปู่โพธิรักชอบไปมั่วเอาเองก็หาไม่ <c oughs> ฟัง ด, ดีไม่รู้มั่วตรงนี้มันอยู่ที่ใครอาตมาไม่ว่าคุณหรอกแต่คุณเอาว่าอาตมาว่าอาตมามั่วแต่ใครมั่วกฟังดีๆนะนะเออ พุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงนับว่าเป็นการรู้แจ้งด้วยวิปัสนาญาณญาณที่สามารถรู้จักผสัสเมื่อมีผัสสามเห็นวิญญาณเกิดวิญญาณแล้วก็เห็นวิญญาณนั้นเมื่อผัสแล้วก็ผู้ที่มีญาณอ่านวิญญาณที่ผัสแล้วออกจับวิญญาณนี้ได้วิญญาณนี้เกิดถ้าวิญญาณนี้เกิดปรุงแต่งกันเป็นสัตว์นรกมันกําลังต้องการอยากเล่าเล่าล่า บินยานนี้เป็นสัตว์นรกเราก็เห็นมันการเห็นว่ามันเป็นสัตว์นรกมีปัญญามีความรู้เข้าใจได้ว่าอาการอย่างนี้แหละสัตว์นรกโดยไม่ต้องไปเห็นรูปร่างแยกเขีย้ยวยิงฟันแขนยาวปากจู๋ทองโตที่เป็นรูปเท่านั้นเห็นอาการลิงคนิมิตอ่านเครื่องหมายของนามธรรมเป็นวิญยัติญญติรูป เป็นอาการเคลื่อนไหวได้เห็นอาการนามเห็นอาการกิริยาเท่านั้นแหละก็รู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องไปเห็นหน่วดเห็นคางเห็นเขี้ยวเห็นอะไรก็ดูแล้วพวกนั้นผู้ที่จะมีญาณยวิวิญญาต์รูปได้ที่เป็นการเคลื่อนไหวสื่อออกมาให้รู้ได้ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่สามารถรู้จักรูปธรรมหรือจากรูป 87บได้ดียิ่งกว่านสะื่อออกมาได้ชัดเจนยิ่งกว่าเป็นวิการรูปที่ชัดหรือเป็นวิจวิยัติัติรูปชัดมียานสามารถที่จะอ่านรูปที่เป็นอาการจึงไม่เป็นเส้นแสงสีเสียงเป็นวิยญญัตไม่จะเป็นบรรญยัติหรือไม่จะเป็นปัญญัตปัญญัตติแต่เป็นแค่วิ ญ, ญัตติ วิญญาตินี่ละเอียดกว่าปัญญัติหรือบัญญัติที่เรามาเรียกบัญญัติเป็นภาษาเป็นตัวหนังสือเป็นคําพูดเป็นรูปร่างเป็นตัวตนนั่นบัญญัติหยาบนี่วิญญติบัญญัตินั่นมันหยาบวิญัตินี่มันละเอียดเรเรีรู้ด้วยวิญญติเป็นวิการรูปหรือเป็นวิญัติที่เสื่อออกมาทางกายวิญญติหรือแค่วจีวิญญติคุณพูดเตอนนั้น ฟังเข้าใจแล้วไม่ต้องมีรูปร่างอ่ะฟังเข้าใจแล้วเป็นวจีวิญญาตรหรือองค์ประชุมรวมทั้งหมดไม่ต้องมีเส้นแสงสีเสียงเลยมีนัดจักรขีตวาทิตะมีท่าทีลีลาของอัตมามีทั้งเสียงอ่าเนียงคีตะมีท่านคําพูดวาทิตะประกอบกันเป็น composition เป็นองค์ประกอบสินที่อัตมาสื่อแสดงให้เห็นเนี่ยเป็นลีลาการแสดงเนี่ยเป็นดรามาติกนะ นี่เป็นหน้าตรรมชนิดหนึ่งที่มีหน้าตะมีการแสดงท่าทีลีลาเรียกว่านัจจะมีขีตะเรียกว่าสุ่มเสียงสำเนียงประกอบแล้วก็มีวาทะคำพูดต่างๆร้อยกรองออกมาร้อยแก้วออกมาเอามาเรียบเรียกสื่อคุณฟังเป็นองค์ประกอบสินเป็น composition ซึ่งเป็นองค์รวมให้คุณรู้ได้เรียกว่ากายยวินยับรวมไปทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าเอาเฉพาะ ภาษาก็เรียกว่าไวาจีวินยัตอาการที่รู้ได้นะเพราะอาการอย่างนี้แหละมีคนต่างประเทศมาบอกมาว่ากายวินยัต can you please ask พ่อท่า น, นางั้นเลยนะอากรุณาถามพ่อท่านหน่อยนะ กายวิญญาตคือการให้รู้ความหมายด้วยกายเช่นพยักหน้ากวักมือนี่แหละกายวิญญาตที่อาตมาอธิบายไปวันนี้นัดจักคีตะวาริตะเป็นองค์รวมองค์ประชุมทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันเกินกว่าวจญญีวิญญาตวจีวิญญาตไม่ต้พูดพูดนิ่งๆดีไม่ดีหลับตาพูดวจีวิญญาตเคลื่อนไหวแต่วจีคำพูดให้ได้ยินเท่านั้นแล้วคุณก็ อ่านวินยัติของวัจีนี้ให้ออกก็คุณก็รู้สภาวะได้หน้าในวารู้ได้โดวยวิการรูปหรือวินยัตที่รูปเฉพาะวจีแต่ที่อาตมาแสดงนี่มันโอ๋บอกอาตมาแล้วอาตมาเป็นตุกตาทอ้องเป็นตุกตาท้องสิหนักใหญ่กวตุกตาท้องแสดงจัดกว่าตุกตาท้อง นะปรุงแต่งนัดจักคีตาวาทิตะยิงนุกตุกตาทองนะแสดงสภาวะนี้ออกมานะนี่คือเลยเต็มไปด้วยกายวิญญาตคือการรู้ความหมายด้วยองค์ประชุมกายนี้องค์ประชุมนะกายนีนะ้คุณที่ส่งมานี่จากต่างประเทศเนี่ย <c oughs> ตั้งใจฟังสนใจอยู่นะบอกว่านะ I am trying to understand. kha. ว่างั้นเขาพูดมานะเขาเขียนมาเพราะงั้นถ้าผืว่าในกายวินยัตหรือว่าจวิเนี่ยมัน in English is it um, verbal หรือ body b o d l y b o d l y expression of verbal หร b o d i l y manifestation หรือออบอดีต verbally language ว่าเงั้น oh all can be used to mean all of those things ค่ะหรือว่ามันหมายรวมไปทั้งหมดใช้ได้รวมกันทั้งหมดได้เลยค่ะทุกอย่างว่าเงั้นเลยนะก็แยกสิจะไปอยู่รวมยังไงล่ะ ถ้าลังเกวชก็แค่ในลงเกวชถ้าออร์บอบดบดบดิลีก็รวมไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเอ็ก e s เพรสชั่นหรือว่าเราจะ m มนิ f e s สเ t ชั่นก็ตามคือจะแสดงออกหรือว่าจ ะ, สะแสดงความคิดความรู้สึกออกมาทางคำพูดหรือว่าจ ะ, สะแสดงออกมาทางองค์ประกอบ เต็มรูปทางกายก็เป็นเรื่องของ manifestation หรือว่า expression ทั้งนั้นแหละนะเป็นแสดงเพราะงั้นอาตมาไม่รู้เก่งลึกเท่าไห ร, ร่หรือว่า expression กับกับคำว่า manifestation เนี่ย manifestation นี่สองคำนี้มันจะลึก ก, กันเท่าไหร่แต่อาตมาว่ามันให้ความหมาย คล้ายกันมากเหมือนกันมากเป็นซินนิมที่ใช้กันได้อย่างจริงๆนะเป็นถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกเป็นภาวะหรือป า, าตุเป็นปรากฏการณ์เป็นภาวะหรือเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงออกมาให้รู้ถ้าเฉพาะแต่เฉพาะวัจีคำพูดมันก็พูดแค่แสดงออกมาแค่นั้นเป็นวจีวิญญาตแต่ถ้าพระอมันมันเป็นทั้งมากกว่านั้นองค์ประชุมที่มากกว่านั้นเลยไปกว่าวัจี ก็ถือว่าเป็นกายวินยัติก็นแล้วกันนะสุดแดนทํำก็ทํากายวินยัติใช้อวัจนะภาษาไหมครับกายวินยัติอวัจนะภาษาเป็นภาษาที่ไม่ใช่คําพูดมันรวมอยู่ในนั้นนะน่าจะแปลว่ามันมันมันเป็นอวัจนะไหมล่ะเพราะว่ากายวินยัตเนี่ยมันรวมประชุมหมดทั้งภาษาคําพูดนัตจารีตาวอาทิตะไง มันรวมทั้งท่าทางได้ลีลาซุ่มเสียงสำเนียงได้ทั้งหมดเลยอ่ามันจะไม่ใช่ภาษาเท่านั้นไม่ใช่คำพูดเท่านั้นวัจนะคือคำพูดมันไม่ใช่วัจนะเท่านั้นมันรวมทั้งท่าทางท้าอะไรด้วยกายเป็นจัดอ่เพราะฉะนั้นคุณจะว่ามันมันมีมันเป็นภาษาไหมล่ะมันไม่ใช่ภาษามันก็เป็นอง์รวมทั้งหมดมันไม่ใช่ภาษาเท่านั้นถ้าจะเอาให้ชัดๆเข้มๆมันจะเป็นเป็นอย่างนั้นอ่ เพราะงั้นก็ลอ ง, งฟังดีๆอัตมาอธิบายไปขนาดนี้นี่ผู้ฟังอยู่นี่มันจะใครหลกปิมโสรตจินดาฟังอยู่นนสแกนดิเนเวียนนนน่ตอนนี้ก็อยู่สแกนดิเนเวีย น, นก็ฟังดูอยู่นะก็ฟังดูเอาว่ากายวิญยัตที่ถามมาการให้รู้ความหมายด้วยกายเช่นพยักหน้ากัากมือก็ใช่ แต่มันมีมากกว่านั้นพยักหน้ากวักมือมันไม่ใช่วัจีมันเป็นท่าทางเพราะมันยากกว่านั้นกายกรรมแล้วถ้าเป็นรวมไปหมดด้วยก็ใช้กายวิญยัติส่วนวันจีวิญญัติคือการให้รู้ความหมายด้วยวาจาคือกคำพูดหรือบอกกล่าวถูกต้องวัจีวิญญัตกิกําหนดออกมาให้เล็กละเอียดกว่าน้อยกว่ากายวิญยัติกายวิญญัติมากกว่าสูงกว่านะอ้าวนี่ตอบคาถามคุณ ที่ถามมาจากแดนไกลด้วยนะเอาทีนี้มาเข้าสู่ข้อความของคุณนี่ยังไม่จบนะข้อความของคุณ8705เนี่ยบอกว่าสัปัตติ่หกหรือด้วยมโนวิญญาณเท่านั้นเองนะ เพราะการรู้แจ้งเยี่ยงนี้พุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงนับว่าเป็นการรู้แจ้งด้ววิปัสนาญาณหรือด้วยปัญญาอย่างที่เสด็จปูโพธิรักชอบไปมั่วเอาเองก็หาไม่อาตมาไม่มั่วนะอาตมาว่าชัดเจนนะามวสัมผัสที่6นี่เป็นเรื่องของวิปัสนาญาณผู้ฝึกแล้วจะมีวิปัสนาญาณตั้งแต่เบื้องต้นทากลางบรนปลาย ส, สูงขึ้นตามบารมีนะเพราะฉะนั้นสัมผัสรู้ตอนแรกก็รู้เป็นนามะรูปปบริเฉตยานะพอสัมผัส เก่งเข้าไปเรื่อยๆก็รู้แยกแยะเป็นปัจจะญปริกหายานะสูงขึ้นไปเป็นสมัสนญาณะเป็นอุทพยายที่จริงมันสามข้อตนนั่นน่ะที่โบูดาอาจารย์ท่านมาเรียบเรียงไว้นะ่ะมันมีละเอียดมากกว่านั้นอีกถ้าไปอ่านมาติกาในปัญญาตั้งหกสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบเเจบสาของทั้งหมดน่ะมันจะมีละเอียดกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นปัญญาญาณ น, นี้รู้ของจริงตามความเป็นจริง ตั้แต่เริ่มต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสมปัญญาไม่ใช่ปัญญาเดาไม่ใช่ปัญญาที่จะเล่นแมกจิคอลต่างๆอย่างที่ว่านั่นตลอดไปไม่ใช่มันไม่ใช่นักเล่นกลมัไม่ใช่นักดำน้าอยู่ที่ในแต่ที่มืดแต่เป็นเห็นเห็นรู้รู้รแจ้งแจ้งจึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่น ว่าจะู้ลับผู้ไหลผู้จมไปในความมืดเป็นผู้มีจักษุเป็นผู้มีปัญญาญาณวิชาแสงสว่างน่ะมันต่างกันนะทีนี้คุณแ7ด5จศูนย์หบอกว่าอธิบายต่อคุณแปดจอธิบายต่อไปว่าความรู้แจ้งมีถึงสามระดับมีสามขั้นคือหนึ่งขั้นรู้ด้วยสัญญา อธิบายดีนะอันนี้ทานมาอ่านแล้วอธิบายดีขั้นรู้ด้วยสัญญาหรือคือด้วยสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วโดยไปเอาสัญญาเป็นแต่สัญชาตญาณอย่างมึดมืดหยิกแหละสัญชาตญาณ น, นี้เป็นอัตโนมัติมันมีสัญญาเก่ามาทําให้เกิดสัตว์เลี้ยกฉันก็มีสัญชาตญาณคนก็มีสัญชาตญาณ น, นั่นคือมันเกิดตามที่มันอัตโนมัติมันไม่รู้นะ สัญชายานที่มันไม่รู้มันเกิดได้ยังไงมันมายังไงไปยังไงแต่มันมีมาแต่เดิมเรียกว่าสัญชาติหรือสัญชาตญาณน่าเกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วเช่นที่นกกระจอกทํารังได้เป็นต้นหรือแม้ที่มนุษย์จะมาศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังจากตำรับตาําราในวัลเรมทั้งฟอตเทปิกด้วยก็ยังจัดเลยว่าเป็นเพียงแค่ความรู้ขั้นต้นคือระดับสัญญาเท่านั้นน่า สัญชาตญาณที่เป็นสัญชาตญาสัญชาตญาคือสิ่งที่เกิดแล้วฝังมาเป็นอัตโนมัติเรียกสัญชาตสัญชาตญาณสัญญานั้นมีทั้งความจําที่มากับสัญญาความจําที่มากับสัญชาตญาณและสัญญาที่หมายถึงปัจจุบันที่ทํางานกําลังกําหนดรู้นี่แหละที่คุณกําลังพูดเนี่ยว่าขั้นรู้ด้วยสัญญา แต่คุณนี่สัญญาคํานี้เป็นสัญชาตญาณเท่านั้นเดี๋ยวอ่านไปคุณทิศังจบเนี่จะหมายถึงแค่สัญญาคือสัญชาตญาณเท่านั้นหรือเปล่าถ้าสัญชาตญาณเท่านั้นก็ช้าแต่เราเนี่ยแหละควักสัญญามาทําการฝึกกําหนดรู้กําหนดรู้กําหนดรู้เพราะฉะนั้นเราใช้สัญญาเป็นและฝึกเป็นหัสัมผัสเข้าตาหูจมูกลิ้นการสัมผัสก็พยายามใช้สัญญาเข้าไปวิจัยเข้าไปอ่านรู้พิจารณา สติปัฏฐานสีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมขณะผัสสะเส ม, มอนี่คือการฝึกสร้างฌานสร้างสมาธิแบบลืมตาแต่ถ้าไปฝึกหลับตาแน่นอนสัญญาของคุณก็จะมารู้ระ ล, ลึกขึ้นมาจากความจำแล้วก็มาคีดนึกปรุงแต่งแห้งๆไม่สดก็จะได้มันลึกๆ ล, ล, ลับๆ ล, ละเอียดละเอียดหรือบางทีมันรู้เองมเอง ไม่เห็นผิดเลยจะมาเข้าใจเข้าใจว่าคนสายนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมีแต่เรื่องประหลัดประหลาดแม็กิกอลอยู่อย่างนี้แหละลึกลับด้วยตัวเองก็โอ้มันมาได้เอ ง, มเองไม่รู้ว่าเดาเองแล้วก็สร้างเองในนิมิตเองเป็นนิมานราดีหรือปริณิมิตไมชใช่ปรินิมานมิตรมาสวัตดีนะผู้อื่นสร้างให้นิมานราดีสร้างเองบันดาลเองอนิมิตเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ เป็นเทวดาชั้นนิมานรดีเก่งแต่มันเป็นของปลอมมันเป็นของสร้างขึ้นใหม่มันเป็นของของคุณเองคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยหรือคุณสร้างมาหลอกคนอื่นจนเขาติดไปแล้วด้วยสร้างบาปสร้างเวทให้แก่มนุษย์ไปอีกก็ไม่รู้นะเอาต่อเดี๋ยวอาตมาจะเทศยาวไปนะหรือก็คือด้วยสัญชาตญาณที่มีมาแต่เกิดแล้วเช่นที่นกกะจอกทำลังได้เป็นต้นหรือแม่ที่สุด หรือแม้ที่มนุษย์จะศึกษาเพิ่มเติมไปภายหลังจากตําหนักตำรานวัฒนธรวมพื้นฐานก็ยังจัดเลยว่าเป็นเพียงแค่รู้ขั้นต้นคือระดับสัญญาเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์แต่ละคนก็จะมีระดับความรู้คือสัญญาที่ติดมาตั้งแต่เกิดวงเล็บ เ, เปิดพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณวงเลปิดก็รู้มากน้อยและลึกซึ่งไม่เถียงมีมาปัดกับตนเป็นสัญชาติญาณทุกคนย่อมจะไม่เท่ากันอยู่แล้ว อีกและแน่นอนเช่นคุณกับปัตมาเป็นต้นไม่เท่ากันแน่นอนและยังหมายรวมทั้งวิชาทั้งหลายเช่นสมาธิพุทธหรือแม้ปฏิจสมุปบาทที่โพธิรักศึกษาค้นคว้ามาจากพระเตปิดกถ้าอาตมาค้นคว้าจากพระเตปิดกนี่เป็นของแถมแต่ข้ออาตมามีสัญชาติญาณข้ออาตมามาเดิมนี่คุณคุณไม่เชื่อว่าอาตมามีมาเก่าว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ คุณไม่เชื่อจริงๆถ้าคุณเชื่อสักนิดหนึ่งจะดีขึ้นคนนี้แย่ๆเลยนี่คุณแม่ขอสักนิดหน่อยมาเชื่อสักนิดเนี่ยนี่ลีลาอิทธิภาวะนี่ลีลาอิทธิภาวะจําไว้นี่แหละลีลาอิทธิภาวะอัตมาเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อชาตินี้นะที่โพธิรัก์ศึกษาคนความมาจากพระเถรบิด ก, ก็ยังนับว่าเป็นแค่ความรู้ในขั้นสัญญานี้เท่านั้นเองเห็นไหมอธิบายสัญญาเป็นเพียงสัญชาติญาณ ไม่ได้ใช้สัญญาในปัจจุบันเลยสำหรับคุณแป็กเกสุนาใช้สัญญาในปัจจุบันไม่เป็นอย่างนี้นี่เหล่าถึงได้จมอยู่ในเบอร์มิวดาทราแองเกิลจมอยู่ที่แบล็คโฮอสงสัยเนี่ยจะเจอกันหน้ากรบอุทกกระดาบทอาลานดาบทแต่มันไม่รู้จักกันหรอกมันอยู่มืดหมดเลยมันอยู่ในเทหวัตถุแท่งทึบ สเปซเนี่ยเทหวัตถุแท่งทึบสําหรับผู้มืดแต่สําหรับผู้ตาสว่างสเปซคือแสงสว่างอากาโซอนันโตอากาโซติเลยจะเห็นไปหมดเลยอาตมา ถ, ถึงเห็นจักรวาล น, นี้ว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงมันเป็นอยู่ยังไงอาตมาเห็นข้อพายแม่พูดอวดอุสริยธรรมเยอะเกินจริงอาตมารู้ว่าจักรวาลแม้ในปัตถุรูปในมหาจักรวาล น, นี้มัน ถึงรู้จักแสงโคง้งรู้จักจั ก, กราวาลเป็นยังไงอาตมาเน่เยเอภัยเตเนี่ยเนียมว่าตูวอวดใหญ่อวดโตอวดรู้พอนะสแสดงว่าคนเราเนี่ยมันมีสิ่งสิ่งเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับใจของคนใช่ไหมครับใช่ใจนี่เป็นตัวหลักแต่อาตมารู้อย่างสว่างไม่ต้องนั่งหลับตาแต่คน <laughs> คนนั้นต้องนั่งหลับตาไปรู้แล้วรู้ไม่รู้เรื่องรู้เออมันรู้ขึ้นมาเองรู้ได้อาตมาไม่สงสารอาตมาก็มีอย่างนั้นอาตมาก็ทํา ไอ้ที่ยังอธิบายไม่ได้มันก็มีแต่ก่อนนี่อาตมาเล่นไสยศาสตร์มันก็ไม่รู้ประเดี๋ยวนี้มันรู้รู้รู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้มันอ๋อแต่ก่อนนี้เราโผพาคนดำนาำกันมุดเงิน ม, มาตั้งเท่าไหร่แต่ก่อนนี่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่พาคนดำน้ำแล้วพาคนมาว่า ย, ยังลืมตายอย่างเงยหน้าเลยเอาสองดีจะไม่จบขั้นรู้ด้วยวิญญาณขั้นที่หนึ่งรู้ด้วยสัญญาสัญญาของคุณนี่รู้แต่ในสัญชาตญาณนะเนี่ยฟังดีๆสองขั้นรู้ด้วยวิญญาณ ซึ่งความรู้แจ้งธรรมารมณ์น้ำวิญญาณเนี่รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยวิญญาณทั้งห้าธรรมารมณ์นะดึงเข้าไปข้างในแล้วนะธรรมารมณ์ดึงเข้าไปข้างในไม่มีไม่มีโพธิธรมภารม์วิญญาณซึ่งความรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยวิญญาณทั้งห้าคือเห็นภาพด้วยจักขุวิญญาณฟังเสียงด้วยโสตวิญญาณดมกลิ่นด้วยขานาวิญญาณลิ้มรสด้วยชิวหาวิญญาณถูกต้องโพธิภพในด้วยกายวิญญาณ ซึ่งความรู้ดวิญญาณทั้งห้านี้เป็นความรู้ที่ย่อมมีในคนทั่วๆไปอยู่แล้วมีในคนทั่วไปอยู่แล้ ว, นน ว, ว, แ, ลวแล้วในห้าทวาร น, นี้มีจิตร่วมรู้อยู่ด้วยไหมจ๊ะหรือว่าคุณรู้แบบแค่ฟักข้าวไปกระทบกับฟักทองหรือว่าเอาไอ้กระบองไปกระทบกับกระบาลได้ไปถามกระบองว่ารู้ไหมถ้ากระบาลที่มันไม่มีความรู้มันเป็นกระบาล ผีตายเป็นกระบาดของสัตว์ของคนตายเอากระบองไปเคาะกระบาดมันก็ไม่รู้ทั้งคนทั้งไม่รู้ทั้งทั่วอหรือเอาหินไปกระทบกับเหล็กอะไรเงี้มันจะไปรู้เรื่องอะไรเพราะมันไม่มีมันเป็นอนุ ป, ปาติสกัสังขารใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากายทั้งโพธพาทั้งหมดสัมผัสทั้งหกโอ้ข อ, อแัยสัมผัสทั้งห้ามันต้องมีนามประกอบอยู่ด้วย จึงจะเกิดวิญญาณจึงจะเกิดธาตุรู้นะจ๊ะจะไม่มีวิญญาณแล้วมันไม่รู้นะจ๊ะจะไปตัดเขาออกนะห้าทวานั้นจึงจะต้องมีนามประกอบอยู่โดยเสมอนะเพราะงั้นแยกถ้าจะแยกแต่เฉพาะข้างนอกอัโพธิพะมันมีผัสสะถ้าเป็นทวานในมันไม่ต้องผัสสะมันอยู่ด้วยกันเองมันมันญญัตนากรมายตนะเท่านั้นมันก็ เมื่อไรก็เมื่อนั้นมันก็จะรู้กันได้ทันทีมันก็จะปรุงกันได้ทันทีไม่ต้องผัดสะผัดเสริเพราะมันผัดยังไงมันกอดกันอยู่ดังนี้ไม่ต้องเห็นผัดเลยมันายตนาขันพายจตนาเน่ะมันกลมอยู่ด้วยกันน่ะอที่อาตมาเทียบหยาบๆนะเหมือนไส้เดือนมันมีทัวผู้ตัวผู้ตัวเมียอยู่ในตัวมันเองมันจะผสมพันธุ์กันเมื่อไรทํำมาเธอจะไปยุ่งกับมันมันไม่ต้องไปแสวงหามันไม่ต้องไปเทิดหาผัดสามันไม่ต้องไปตําบากระบนอะไรอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกันน่ะ อบอกว่าความรู้บอกว่าถ้เปิดประพัสาสตทั้งห้านี่เป็นความรู้ย่อมมีในคนทั่วๆไปอยู่แล้วจึงยังไม่นับว่าถึงขั้นที่รู้ด้วยวิญญาณในที่นี้ได้เห็นไหมนี่เป็นการอธิบายของคุณไปเจสุนอาตมา เ, เ, เขาก็ใจชัดเจนเพราะว่าการที่จะรู้แจ้งธรรมารม์ทั้งหมดการจะรู้แจ้งธรรมารมทั้งหมดทั้งชนิดที่หยาบและชนิดที่ละเอียดได้ธรร ม, มารมหมายความว่าอรารม์จะรู้ทั้งนอกและในทั้งหมดได้นะย่อมจกต้อง ด้วยสัมผัสที่หกในมโนวิญญาณเท่านั้นคุณมีแต่มโนวิญญาณและคุณก็อยู่แต่ในวิญญาณและคุณไม่มาสัมผัสออกข้างนอกและคุณจะไปรู้ทั้งหกมันได้ยังไงคุณก็รู้ที่หกของคุณในในอย่างเดียวอ่ะเพราะยังวิปสัสสนาญาณของคุณเนี่ก็คือแคบทวารเดียวอยู่ข้างในทวารเดียวมาข้างนอกนี่คุณวิปสัสสนาญาณไม่ได้นี่แหละนะ่าสงสารวิปสัสสนาญาณแคบๆของที่เรียนนั่งหลับตากันเนี่ย แม่สุดสงสารจริงๆทายนั่งหลับตาเป็นอย่างนี้จริงๆอาตมาก็ว่าไอ้อย่างนั้นอาตมาก็รู้อาตมาก็ทําเป็นนั่งหลับตาไปวิปัสสนาญาณอาตมาก็ทํามาเห็นแม้แต่อรูปประพรมโอ้ยเมื่อยพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วหาว่าอาตมาพูดซ้ําอยู่นั่นแหละไม่เอาอื่นอื่นอยู่เยอะๆตั้งแยะซ้ําเก่ายังไม่รู้เรื่องเลยซ้ําแล้วซ้าอีกรู้กันขึ้นมาบ้างหรืออย่างไรจ๊ะ มากกว่า น, นี้หน่อยได้ไหมรู้มากกว่า น, นี้หน่อยได้ไหมนะขอเอาไปนะ่าจะมาขี่เล่นไปหน่อยหนึ่งอ่าเอาหน้ต่อฉะนั้นที่จะถึงขั้นเรียกว่ารู้ด้วยวิญญาณนะวิญญาณคือธาตุรู้องค์รวมใหญ่ๆฉะนั้นถึงจะถึงขั้นรู้ว่ารู้ด้วยวิญญาณจึงย่อมหมายถึงเฉพาะการรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณคือสัมผัสที่หกนี้เท่านั้น ไม่เถียงนะว่าสัมป atti หกนี่เป็นตัวจิตและมันรู้ได้มากรู้ได้กว้างรู้ได้เยอะแต่ของคุณน่ะไปจํากัดจำกเขี่ยเอาวิบัติสัมผ์สัมป a t t หกของคุณเนี่ยเป็นแมจิคอลเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องข้างในเป็นเรื่องท่านั้นไม่เปิดออกมาข้างนอกสักทีโอ้ยโอเมื่อไหร่น้องจะรู้สักทีเมื่อไหร่จะเปิดออกมาข้างนอกมันกับเขาบ้างทีไอเขาไปข้างในอย่างนั้นแต่มาก็รู้พรุนมาแล้วเหมือนกัน อย่างที่คุณรู้นั่นแหะแต่ไอ้ข้างนอกที่คุณยังไม่ยอมตื่นสักทีเนี่ยตื่นสักทีตื่นสักทีออกมารู้ด้วยก็ บ, บังสักีนะ <S <S โอยการรู้แจ้งโดยมโนวิญญาณคือสัพพติหกนี้เท่านั้นนํากําหนดว่าเนี่ยนะเท่านั้นนะนะเ ท, ท่านั้นนะเรียกว่าพอแค่นี้แหละเอาแค่นี้นะเท่านั้นอ l s o เท่านั้น เพราะนอกจากมโนวิญญาณจะทําหน้าที่เห็นรูปที่หยาบเช่นเห็นรูปกายของมนุษย์ด้วยกันได้รูปกายของมนุษย์ด้วยนะนะมโนวิญญาณที่จะทําหน้าที่เห็นรูปที่หยาบเช่นเห็นรูปกายของมนุษย์ด้วยกันมนุษย์นะมนุษย์มีรูปกายนะแทนการเห็นด้วยจักขุวิญญาณแล้วมโนวิญญาณนี้ก็ยังสามารถเห็นรูปกายที่ละเอียดของสัตว์อภิปติกะ ก็เห็นสิบหิัตโอปปาติกะที่เห็นแต่คุณจะออกมาเห็นรูปกายของมนุษย์ที่มีตาหูจมูกลิ้นมีมหาภูตรูปมีดินน้ำลมไฟเนี่ยลืมตาออกมาดูหน่อยได้ไหมเห็นแต่กายมนุษย์อยู่ในพอบุคุณเท่านั้นแหละเ้้ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะรู้เรื่องกัทีเนี่ยนะมโนวิญญาณนี้ก็ยังสามารถเห็นรูปกายที่ละเอียดสัตว์โปปาติกะ ไม่มีปัญหาเราเรียนรู้เราสัตว์โอปปปฏิกาเราเรียนรู้เราเห็นอยู่แล้วอย่าว่าแต่เข้าไปอยู่ข้างในหลับตาไปเห็นเลยเราลืมตาก็เห็นน่ะคุณเอาแต่หลับตาเห็นทําไมไม่ลืมตาไม่เห็นอย่างเราบ้างเช่นเห็นรูปกายของเปรตหรือเห็นรูปกายทิพย์ของเทวดาได้ด้วยก็เห็นน่ะเปรตก็เห็นอยู่น่ะเทวดาก็เห็นอยู่น่ะ สัตว์นรกก็เห็นเดรัจฉานก็เห็นอยู่นะลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนะ่ะกำไรนะอาตมาว่ากำไรแต่คุณนี่ไม่ยอมกำไรไม่ยอมขาดทุนอยู่แต่เห็นอยู่แต่ทวารตาว่าเป็นทวารในข้างเดียวและนอกจากนี้แล้วมโนวิญ ญ, ญาณก็ยังสามารถไปรู้แจ้งนามได้อีกด้วยแน่ๆก็มารู้แจ้งนามอยู่เท่านั้นไม่ได้รู้แจ้งรูปเลยะ คุณ ร, รูปที่ไหนอ่ะรูปกายคุณปั้นขึ้นมาหลับตาเห็นรูปร่างของเปรตก็ดีรูปร่างของเทวดาก็ดีเป็นเรื่องภาพปั้นที่เป็นมโนมยอัตตาของคุณไม่ใช่ของจริงที่มีทั้งดินน้ำไฟลมนี่เป็นรูปตัวคนกายมนุษย์กายสัตว์กายอะไรนี่คุณไม่ได้เห็นอย่างนั้นน่ะแต่อัตมาเห็นอย่างนี้และยังเห็นทะลุเข้าไปในนู่ของใครด้วยว่า แต่อาตมาไม่อยากพูดหรอกว่าอาตมามีสับปินยาขนาดเป็นอย่างรู้ใจของคุณเป็นอย่างงุนใจของคุณเป็นอย่างนี้แต่อาตมาเห็นใจของอาตมาล่ะแล้วก็เห็นกายคุณและใจของพวกคุณแสดงออกมาทางกายวิญญาต์แสดงมาทางวจีวิญญาต์อ่านตามวิการรูปพวกนี้หรือจักวิญญาตรูปพวกนี้อาตมาพอรู้ได้พอรู้ได้แม้อย่างโอราดิกะ แต่ถ้าเผื่อว่ามันลหุตามันบางเบามากเกินไปอาตมา ก, ก็รู้ยากเพราะยังไม่เก่งนะเพราะว่าการลุกวิการรูปนี่มันจะต้องรู้ไปจนกระทั่งยาบราณิ ก, า ไ, ก า, นะาไปจนกระทั่งเรือลหุตานะยาไปจนกระทั่งเรื่องละเอียดเบาบางนะหรืออย่างที่จะระยาไปจนกระทั่งมุทุตตาอย่างไว้ไว้อ่อนเลยนะมุทุมุทุนี่อ่อนไว้ เร็วนะนี่เป็นลักษณะของวิการรูปทั้งนั้นเลยนะจึงจะรู้จักองค์ประกอบของกรรมมันยะตาได้นีนวิการรูปห้าก็มีวิญญาตอีกสองมีละหุต า, ตาและมุทุตตาแล้วกักรรมมันยะตาสามนี่เป็นห้าพิการรูปมีห้าอย่างคุณพยายามบอกอาตมาให้อธิบายว่าดูอีแปดอาตมาก็หยิบมาอธิบายไปให้ฟังเรื่อยๆอยู่นี่แทนที่จะ พูดดือดอด้อง่ายๆอธิบายง่ายๆก็ยกตัวอย่างะอะไรประกอบอยเสมอคิดว่าก็คงพอจะตั้งใจฟังนะจะเขา้าใจเข้าใจฟังได้ดีก็คงจะรู้จักสิ่งเหล่านี้นะเพราะงั้นบิดยัตรูปนี่มันคืออาการอากา ร, าการดิ้งคะนะเป็นอาการที่บอกให้รู้เป็นอาการไหวรู้เคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหวเยอะรวมกันแล้วทั้งนัตจกักคีตวาทิตตานี่มันก็จะรู้ง่ายขึ้นมีแต่ อัแต่คำพูดที่เป็นวจีวิญญาตมันก็รู้ยากขึ้นอาตมาถึงยอมเป็นตุกตาทอ ง, สงแสดงน้าจากขีตาวาทิตะแทนที่จะสงวนท่าทีพูดหลับตาพูดพูดจะเงี้เงเงี้เงีเงอผพูดผูดดังก็กลัวจะเสียสภาพสมณสารูปอาตมาไม่กลัวหรอกใครจะว่าอาตมาเป็นสัตว์ในไรฉ า, านเป็นอะไรก็ไม่ว่า แต่อัตมาต้องการสื่อให้คุณเข้าใจได้นี่เป็นปัจจัยเหตุอัตมาที่อัตมาทำโด้วยเจตนาอันนี้เพราะนั้นใครจะมาลบหลัวอัตมาอัตมามีปัญหาหรอกลบไปเถอะลบยังไงถ้าลบอัตมาได้ว่าอัตมาเป็นอันนั้นแล้วเป็นอันนี้แล้วคุณลบได้ก็ลบไปอัตมาว่าลบของอัตมาไม่ได้หรอกเอาต่อนะเพราะนั้นจะเห็นกายที่เทวดาได้ด้วยและนอกจากนี้แล้วมโนเวญาง่าสามารถไปรู้แจ้งนามได้อีกด้วย ก็มันร like ู <zou idity> <wh> ้แจ <aries> <t hat> ้งแค่น้มอยู่ในนั้นนีไม่ได้รู้รูปเลยคงก็ยังบอกมาทาไปเก่งมันรู้น้ำที่แม้จะรู้แจ้งน้มได้อย่างหยาบๆก็ตามโดยการที่รู้แจ้งน้มได้นี้ย่อมจักหาไม่ได้เลยมาความว่าอะไรที่แม้จะรู้แจ้งน้มได้อย่างหยาบๆก็ตามโดยการที่รู้แจ้งน้มได้นี้ย่อมจักหาไม่ได้เลยทั้งในจักุวิญญาณโสตวิย์อ๋อ ย่อมจักหาไม่ได้เลยทั้งในจักคูวิญญาณโสตวิญญาณขานาวิญญาณจิวมวิญญาณหรือในกายวิญญาณนี่ไงวิญญาณต่างๆหูจมูกลิ้นกายคุณไม่สามารถรู้คุณสารภาพออกมากระตากออบมาเองไขแล้วไขแล้วกะรวกะตากกระตากไขแล้วกระตากออกมาเองน ะ, ว, ะงงงงว่าคุณไม่รู้ก็ไม่งงอาตมาไม่งงก็คุณไม่รู้ตั้งนานแล้วอาตมาบอกออกมารู้สัทีสิก็รู้แล้วไง คุณบอกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางนิ้วทางกายก็คุณเล่นปิดหมดคุณจะไปรู้ได้ยังไงเราคุณพูดมาของคุณก็ถูกแล้วอ่ะนะ จ, จากหาไม่ได้เลยทั้งในจักขวิญญาณหาไม่ได้เลยก็คุณจะหาได้ไง้ยคุณไม่ออกมาหาคุณปิดมันเล่นอย่างนั้นอ่ะก็เลยไม่รู้ไอ้จักขวิญญาณมันเป็นยังไงโสตวิญญาณมันเป็นยังไงคุณไม่ศึกษาอ่ะปิดเอาแต่ทวารในนี่แหละพวก อยู่ในเบอร์มิดาไทรแอนโกลอ่าเป็นกินหะจะสุภะหรือเปล่าไม่รู้นะตะสุภะกินหะหรือเปล่าไม่รู้แต่กินหะได้อยู่ในวงอยู่ในหลุมดำอยู่ในแบล็คโคนนี่แหละนี่แหละอย่างนี้แหละนะอ่าในจักรสุลือ ก, กายวิญญาณซึ่งทั้งห้าวิญญาณ น, นี้ ซึ่งทั้ง5วิญญาณนี้รู้แจ้งได้ก็เฉพาะแต่รูปในเว็บที่หยาบอย่างเดียวเท่านั้นทะลุเลยรูปหยาบ ก, ก็ยังอยู่แล้วทะลุก็ไปถึงกลางในเลยเพราะหาสามารถรู้แจ้งถึงนามได้เลยไม่สารภาพบอกอีกแล้วหาสรุปสามารถเพราะหาวสามารถรู้แจ้งถึงนามได้เลยไม่สารภาพบออีกแล้วน่าสงสารจริง มาฝึกหน่อยนาจะได้รู้มั่งว่ามันรู้ได้ก็คุณหารู้ได้ไม่ก็ถูกสิคุณสรภาพมาอาตมาก็เชื่อว่าคุณไม่รู้อเอ้ยเข้าเวลาเขาชัดเจนไหมครับพอไปนะพอไปนะคุณแปดเจ็ศูนนอาตมา ที่ชัดอาตมาไม่ได้โกรธคุณเคืองคุณอาตมาขอบคุณคุณจริงๆว่าคุณเป็นเหตุให้อาตมาจะต้องมาแสดงลิเกละครมาแสดงนาจักขีตาวาทิตามาแสดงความเป็นศิลปเป็นตุ๊กตาทองให้แก่พวกเราเนี่ยตีงูให้กากินอยู่เนี่ยอพวกคุณก็ได้กินงูไหมโอ้ดีขอบคุณครับคือเขาไม่รู้แล้วครับว่าถ้าเกิดเขากินข้าวไปแล้วกินอาหาราที่อร่อยะ อะไรมันไปรู้อ่ะรู้ถึงวิญญาณไหมฮะไม่รู้สิเขาไม่รู้เขาไม่ได้อ่านไงเขาเอาสัมผัสเขาเรากเขาเอาตั้งแต่ปั้นมิกแม็จิเขาเขาอยู่ข้างในอะไรความอร่อยมันอยู่ตรงไหนนั่นสิก็เขาไม่รู้เขาก็จะรู้อัศรธาความบรรลณ์ไม่รู้เรื่องหรอกหน่าหงสารเพราะฉะนั้นจะไม่รู้จากโซตัปไอจากจักขูวิญญาณทัดขันไว้วิญญาณที่ออกมาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาจะไม่รู้เขาจะรู้วิญญาณเดียวแต่มโนวิญญาณอย่างเดียวแล้วกับ ไม่รู้ว่ามาโนวิญญาณนั้นเพราะว่ามันปั้นเองได้เป็นนิมมานนรดีได้เป็นการปั้นได้เป็นเทวดาปั้นนิมมา น, นรดีเสพสุกลงอยู่ในวิมาน น, นั่นแหละนะเป็นอย่างนั้นจริงๆรน่ะนิมมา น, นรดีชื่นใจอยู่กับสิ่งที่สร้างเรียกว่านิมมานนรดีน่ะนรดีนิมมานก็คือการสร้างนรดีคือยินดีนะยินดีเป็นคนยินดีในสิ่งที่ตัวเองสร้างถ้าปรินิมิตวัสวตีก็คือ มีคนอื่นสามารถมาสร้างให้เราได้มีอำนาจให้คนอื่นสร้างให้เราได้นะให้คนอื่นเนรมิตให้เราได้เป็นเ ท, ทเวดาใหญ่เทวดาใหญ่ให้คนอื่นบังคับให้คนอื่นปรารถนาวัสพัตเนี่ยใช้อำนาจวัชพัตติอำนาจใหค้คนอื่นมาสร้างให้ได้มีอำนาจจะคนอื่นเกรงกลัวคนอื่นมาสร้างให้ได้นี่คือเทวดาใหญ่แบบโลกโลกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอานี่อธิบายขยายความเป็นเทวดาอีกสองภูมิ น, น, น, น, นี่มีนิมานมดรดีกับปริณิมิตวัตถุทีแถมไว้ให้หน่อยเนื้หนึง่งเอาทีนี้ต่อจึงสรุปตรงนี้ให้ชัดๆนะจงสรุปตรงนี้ให้ชัดๆเสีก่อนว่าความรู้ที่เลยขั้นความรู้ที่เลยขั้นสัญญานะความรู้ที่เลยขั้นสัญญาผูดถูกนะความรู้ที่เลยขั้นสัญญามาถึงขัน้นรู้ด้วยวิญญาณ จริงๆรู้ด้วยวิญญาณนี่มันไปหาปัญญามันจะเป็นสมบัตปัญญานะรู้เลยขั้นสัญญามาถึงขั้นรู้ด้วยวิญญาณนี้ก็หมายถึงสัมผัสที่หกนั่นเองพูดถูกจังเลยเลยขั้นสัญญานะเลยขั้นสัญญากาหนดรู้เนี่ยมันก็จะไปเป็นปัญญาเป็นปัญญินทรีปัญญาพละเรื่อยไปเรื่อย จากการปฏิบัติมรรคังคะองค์แห่งมรรคแล้วมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือมีโพชฌงค์ทั้งเจ็นั่นแหละแต่สติสัมโชฌงค์ธรรมวิจัยสัมพโพชฌงค์กวิริยาสัมโพชฌงค์มันเป็นตัวปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดผลเกิดผลได้เรื่อย ๆ, ๆไปเป็นสมาธิิสูงขึ้นเป็นธรรมวิจัยสัมโ์สมาธิิและมรรคังคะสมองค์นี้ทำงานกันเสร็จ เลื่อนขึ้นไปเป็นปัญญาจากปัญญาเป็นปัญญินรีมีกําลังของความรู้สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าจบกับปัญญาพละถึงผลสูงสุดมันก็จะเกิดองคธรรมหกนั้นอย่างแท้จริงเลยปฏิบัติมากคังคะซีปฏิบัติองค์ทั้งข้างนอกข้างในสีตั้งแต่อาชีพ ส, สังกับประกำมันตะวาจาไปเอาแต่ใจสังกปะสังกปะแล้วไม่เรียนรู้ตักกะวิตกะไม่เข้าใจ ถ้าเรียนแต่ใจนะถ้าเรียนแต่ในพบใจสามารถแยกตักกะวิตกกะสังกปะออกแล้วก็สั่งสมให้เกิดอัปปนาพยัปนาเจตโสพิณิโรปนาก็ยังดีแต่ผู้ที่นั่งสมาธิหลับตานั้นไปทําแต่อปปนาอัปปน า, ปปนามันไม่เกิดพยปนามันไม่เกิดเจตโสพิณิโรปนาเพราะมันวิจัยตักกะวิตกกะสังกปะไม่ออกหรือไม่ ไม่โตไม่ไม่มีองค์โครงจะออกไม่มีองค์ประกอบครบพอมันไม่มีวัตถุมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรอะไรที่เป็นมหาโพธิรูปมันก็เลยได้แต่ดีไม่ดีปั้นขึ้นมาเองเนรมิตขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองเป็นตัวปลอมก็ไม่รู้อ่ะโดยจะพอแยกตักกะบิต ก, กะจิตที่ดำริเริ่มดำริแล้ว แล้วก็รู้ว่าไอ้ดำริมานั่นเป็นอารัปธาตอารัปธาต์นิกรรมธาตุปรกกรมธาตุธรรมธาตุทิตธิธาตุอย่างไรแล้วเต็มรูปของอุปักรรมธาตุเป็นแรงที่จะออกไปเป็นกามเป็นแรงที่จะออกไปเป็นพยาบาทมันจะออกไปยังไงไม่ได้รู้ความเข้มข้นหรือการเป็นสภาพของสภาวะาเป็นสภาวะเรียกว่าภาวทโตขึ้น ปรุงแต่งมากขึ้นและเรียกว่าอิทธิภาวะถ้าภาวะที่รู้ชัดอย่างแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าปุริสภาวะแต่ว่าภาวะรูปสองคุณก็แยกไม่เป็นอ่านไม่เป็นแยกอิทธิภาวะของลีลาของจิตของตัวเองที่เป็นกามรมลีลาอิทธิภาวะเท่าไหกามรมลีลาของอิทธิภาวะมีเท่าไหรของเรา ตอนนี้เป็นปุริสภาวะหรือยังคุณก็รู้จักเพศเพศหญิงเพศชายหรือเพศอิทธิภาวะปุริสภาวะยังไม่ได้เราจะต้องทํำมันไปเป็นปุริสภาวะถ้ายังเป็นกามอยู่ในลักษณะอิทธิภาวะคุณต้องจัดการคุณแยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกคุณก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรกับมันได้สังขารมันไม่ได้จัดแจงมันไม่ได้จัดการมันไม่ได้ มันก็ปรุงแต่งทุบเป็นสังกัปปะเป็นวัจีสังขารแล้วก็ออกไปเป็นวัจีกรรมหรือเป็นกรรมบรราหรืออาชีวะตลอดกาลนะแต่ถ้าพวกที่ศึกษาตักกะเริ่มดำริมาคุณก็อ่านได้แยกแยะรรมำวิจัยสปพองจับตัวกามได้กำจัดกามจะวิคัมพนะมันก่อนหรือตัดทังกระป a h ได้คุณทาได้ก็ยิ่งดับได้หมดเป็นวิตกะ ตัวที่ดำริมานั้นเป็นวิสังขารมันไม่แล้วมันไม่ปรุงแล้วมันเป็นวิจาระมโนปวิจารเนี่ยวิจาระเนี่ยจากวิตกะมาเป็นตักวิตกะกับวิจารณวิตกวิจารเนี่ยที่ทําฌานเนี่ยองหนึ่งของฌานหนึ่งวิตกวิจารเนี่ยคุณจะรู้จักตักกะแล้วทําให้เป็นวิตกะแล้วคุณสําเร็จก็จะเห็นชัดเจนว่าคุณมีวิจาระความประพฤติ วิต ก, กะคือความคิดนําริองค์รวมมาเป็นจาระเป็นการประพฤติบางคุณจะทําให้เป็นตัวประพฤติได้คุณก็จะต้องดักและคุณก็จะต้องกําจัดตัวอกุศลจิตถ้าให้ได้ซะก่อนเมื่อได้จริงตัววิต ก, กะของคุณก็สําเร็จผลเป็นตัวทํางานร่วมกับสังขารเป็นบจีสังขารที่สะอาด ถ้าทำไม่ได้มันก็เป็นการไปร่วมประกุ ป, ประกอบสัมปยุตตังอยู่อย่างนั้นแหละเพราะคุณต้องทำให้มันวิปยุตตังให้ได้ถ้ามันไม่วิปยุตมันก็สัมปยุตอยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหใช้ภาษาเทคนิคอลเทอมของอภิธรรมไม่เบานะโพธิลักษ์เนี่ยอวดเก่งจังเลยนะ เอาต่ อ, อเพราะฉะนั้นถึงขั้นเรียกรู้โดวยวิญญาณจึงย่อมหมายถึงเฉพาะการรู้แจ้งโดยมโนวิญญาณคือสัปปะที่หนี้เท่านั้นเพราะนอกจากมโนวิญญาณจะทำหน้าที่เห็นรูปที่หยาบเช่นเห็นรูปกายของมนุษย์ด้วยกันได้แทนการเห็นด้วยจักขรวิญญาณแล้วมโนวิญญาณนี้ก็ยังสามารถเห็นรูปกายที่ละเอียดของสัตว์อุปปาติกะคุณยังไม่เห็นหรอก คุณจะมีมโนวิญญาณเข้ามาเห็นรูปกายของมนุษย์ด้วยกันนี่คุณยังไม่เห็นมนุษย์นี่มีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายมีดินน้ำไฟลม ค, คุณเห็นแต่เฉพาะในจิตเท่านั้นนะคุณยังไม่เห็นรูปครบรูปหยาบกายทั้งหมดนี่กายหยาบทั้งหมดนี่ไม่ได้คุณเห็นแต่คําว่ากายหยาบของคุณนี่ก็คือรูปร่างที่เป็นมโนมยจฉตานในภพของคุณเท่านั้นกายหยาบของคุณเนี่ยเป็นสภาพภาวะที่ปรากฏในนิมิต เท่านั้นคุณไม่ออกมาเห็นของจริงจากประกอบไปด้วยตาประกอบไปด้วยมหาภูตรูปนี้หรอกที่มีสัตว์โอปปปาติกะอยู่ในอันนี้นี่คุณไม่เห็นคุณไม่มีทางรู้นะเพราะมโนวิญญาณนี้ก็ยังสามารถเห็นรูปกายละเอียดของสัตว์อปปปาติกะเช่นเห็นรูปกายของเปรตหรือเห็นรูปกายที่ของเทวดาได้ด้วยและนอกจากนี้แล้วมโนวิญญาณก็ยังสามารถไปรู้แจ้งนามได้อีกด้วยที่แม้จะรู้แจ้งนามได้อย่างห ย, ยาบๆก็ตาม โดยการที่รู้แจ้งนามได้นี้ย่อมจักหาไม่ได้เลยทั้งในจักขุวิญญาณโสตบญญ า, า, บญญ า, าบัญญาณคารณวิญญาณชิวหาวิญญาณหรือในกายยมิญญาณซึ่งทัณหาบัญญาณนี้รู้แจ้งได้ก็เฉพาะแต่รูปในบทที่หยาบอย่างเดียวเท่านั้นคุณก็รู้แต่รูปคุณทะลุไปนะ็ผู้รู้นามข้างในตัวเขาไม่ได้เลยเพราะหาเพราะหาสามารถรู้แจ้งถึงนามได้เลยไม่ คุณสารภาพออกมาชัดเจนว่าคุณไม่สามารถรู้เลยว่าเวลาคุณมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงนี่คุณไม่สามารถไปอย่างรุ่นนามในสิ่งเหล่านั้นได้เลยไม่สารภาพเองนะจ๊ะก็ออยังตาบอดอยู่รู้แต่นในพบเท่านั้นจึงสรุปตรงนี้ชัดๆก่อนว่าความรู้เลยขั้นสัญญามาถึงขั้นรู้ในวิญญาณนี้ก็หมายถึงสัมปัตติหกนั่นเองสัมปัตติหกรู้แต่เฉพาะข้างในของคุณน่ะ เพราะเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากมโนวิญญาณนะอยู่ในรุมแบ็คโฮงคุณคนเดียวเดนเบอร์มิดาทราแองเกิลอยู่ของคุณคนเดียวอีกทั้งมโนวิญญาณก็ไม่ใช่จะรู้แจ้งได้เฉพาะแต่รูปมโนวิญญาณไม่รู้ได้เฉพาะแต่รูปก็พูดดีนะมโนวิญญาณมันได้เฉพาะแต่รูปเพราะยังสามารถรู้แจ้งนามได้อีกด้วยไอ้รูปที่ว่าในของคุณหมายเอาเท่าไหร่ รูปเฉพาะข้างในทีเห็นรูปเปรตรูปเทวดาที่เป็นรูปร่างตัวตนเป็นมโนมิยัตตาหรือว่าเห็นรูปข้างนอกที่เกี่ยวกับวตาหูจมูกลิ้นกายด้วยโอ้ยเมื่อไรดจะออกมารู้รูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายนี่สักทีละจ้าเพราะยังสารใน้รู้แจ้งนามอู่ด้วยที่แม้จะเป็นแค่การรู้แจ้งนามได้อย่างห ย, ยาบๆก็ตามหรือสรุปก็คือ สรุปมนโนวิญญาณ น, นี้ถึงแม้จะรู้แจ้งนามรูปได้แต่ก็รู้สูงสุดได้แค่ขั้นสมสนญาณเท่านั้นเองรู้ได้แค่สมณญาณนั่นคือสมสนญาณนิยา น, น, น, ยานยาเห็นความวนเวียนนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนวนอะยู่เป็นรูปหมุนวนน่ะเป็นความวนจะมีญาณรู้เออทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไ ป, นบนนบนป เ, ออ ก, เปกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป จะเห็นในนามเฉพาะนามก็คือเนี่ยคุณนี่จะเห็นแต่ในนามมาทำว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายไม่รู้จะเห็นเป็นตัวเป็นเป็นสภาพรละเอียดได้ขนาดไหนไม่รู้แล้วนะตามแต่คุณแปดเจสุนาจะเห็นแต่ถ้าเห็นตั้งแต่หยาบไปก่อนเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ดินน้ำไนลมเนี่มันเคลื่อนที่มันถึงยังไงมันจะช้านานมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง มาจงกระตั้งมันเห็นเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นง่ายขึ้นในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในเวลาทันตาเห็นปจงกระตั้งมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนละเอียดคุณก็ต้องอ่านให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามลําดับก็คุณก็จะเข้าใจอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่อย่างไรกันจริงๆเพราะงั้นสรุปก็คือมโนวิญญาณที่แม้จะรู้จกักรู้แจ้งนามรูปได้แต่ก็รู้สูงสุดได้แค่ขั้นสมัสสญญาเท่านั้น เหตุก็เพราะยังไม่สามารถที่จะเห็นนามรูปเกิดดับได้จริงๆที่เรียกว่าขั้นอุทพพยาญเขาย่อที่เรียกอุทพพยาณุปปญญานนะเรียกขั้นอุทพพยาญที่แปลว่าแสงอาทิตย์ใช่อุทพพยามาจากราชสำคำอุทห์อุทัยเนี่ยอุทพพยาญแสงอาทิตย์อุทัยหรือแสงอรุณแห่งธรรมได้เลยไม่ ไม่สามารถที่จะเห็นนามรูปขั้นอุทพยายานขั้นที่จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซอัตมาก็อธิบายอธิบายจากสมนญาณมาอุทพยานุปสนานุปัสนญาณมันก็จะไม่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลึกเข้าไปกว่านั้นอีกญาณเนี่ยมันจะฉลาดรู้โอ้มันก็มหาดัดบละว่ามากกว่าเกิดเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ไอ้เกิดใหม่อีกเท <ำ S 1> <ๆ S 2> ่าไหร่มันก็มาจบที่ดับดับจะมากกว่าเกิด ใช่ไหมไปใหม่ใหม่ใหเกิดใหม่ไปเรื่อยแต่สุดท้ายมันมาวนไอ้ดับเหมือนกันหมดคือมันไม่มีอะไรมันหายไปหมดหายไปหมด้ายไปหมดมันศูนย์ไปหมดมันไม่เห็นชิ้นเห็นอันเลยตุจโตวิทวโตแพ่ไปซาดไปห า, า, ายไปกระจายไปไม่เห็นมีอะไรอยู่ศูนย์ศูนย์ศูญญโตตลอดเวลาเพราะการรู้แจ้งในอนตัตโตประตโต ตุจโตวิตจโตสุญโตก็จะสูงขึ้นนี่คือคุณลักษณะของอนัตตาธรรมการรู้จักแจ้งอนัตตามันจะมีสภาวะลึกซึ้งขึ้นจากอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไปอื่นอยู่เรื่อยประโตมันตุจโตมันวิทจโตมันกระจายแผ่ซ่านไปมันไม่ได้เหลือแก่นสารอะไรเลยสุญโตมันศูนย์น่ะศูนย์น่ะ อาตมาแสดงลีลานะน่จาจักขีตาไว้ที่ตาเป็นตุกตาท้องไม่เหมือนคนแปดสิบเลย <c oughs> อ้อาวฉะนั้นไป อ, อีกหน้านึงเนี่ยของคุณเนี่ยมันจะหมดเวลาน น, น, นเนี่ยฉะนั้น <c oughs> ด้วยสัมผัสที่หกจนเกิดเป็นมโนวิญญาณ น, นี้ จึงยังคงเป็นความรู้แค่จินตามรยปัญญาเท่านั้นเองของคุณนั่นแหละใช่เลยแต่คนนับเป็นความรู้ชั้นดิขั้นเดียวกันกับไอน์สไตน์ที่คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพอีเท่ากับเอกำลังสองเพราะที่ไอน์สไตน์คิดได้สำเร็จคิดสาเร็จได้ก็ด้วยวิธีจินตนาการหรือจินตนภาพที่กว้างไกล จนออกนอกกรอบได้นี่แหละแต่ว่าปัญญาแบบไอสไตน์หรือเท่ากับขั้นที่รู้ด้วยมโนวิญญาณคือสัมปัตติหนี้พุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงนับว่าเป็นปัญญาถึงขั้นภาวนามายปัญญาที่เกิดจากวิปัสนาญาณอย่างแท้จริงเลยไม่ถูกที่สุดเพราะวิปัสนาญาณนั้นลืมตาปฏิบัติของคุณวิปัสสนึก นิปัตสนึกญาณอยู่ในภพอยู่ในใจเท่านั้นมันไม่ออกมาเห็นมีปัสฉนามีผุดสติหรือมีพุดสิตะมีผัดโผฏฐะมีการเห็นแทบสัมผัสทุกอย่างที่เราเป็นคนต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ใจะไปเอาแต่ข้างในทิ้งตาทิ้งหูทิ้งจมูกทิ้งกายเฮ้ยฉะนั้น พึงควรทั้งวอนให้ดีเถิดใครควรทั้งวอนเนะาะฉะนั้นพึงควรทั้งวอนให้ดีเถิดหากโพธิรักษ์ยังคืนไปสอนแบบผิดๆนั่นสิใครพูดผิดๆเอาล่ะคุณไม่สอนอาตมาสอนอคุณอาจจะไม่สอนใครผิดๆก็ดีและบุญบุญมากเลยนะอย่าพึ่งไปสอนใครถ้าหากโพธิรักษ์ยังขืนไปสอนแบบผิดๆว่าสัมปัตติหก็คือวิปัสสนาญาณ น, นี้เองบาปของโพธิรักษ์ก็จะยิ่งหนัก กว่าบาปที่ไปฆ่าคนตายซะอีกนั่นเนี่ขาดโทษอาตมาซะอีกอาตมาไม่ฆ่าเราคนน่นนะสัตว์อย่างอื่นนีงไม่ฆ่าแล้ว ไ, ไปฆ่าทําไมคนนะ <c oughs> ซึ่งโพธิลักษ์ลองหัดสังเกตดูตัวเองบ้างว่ายิ่งถ้าโพธิลักษ์คิดว่าตัวเองรู้ธรรมะมากขึ้นเท่าไหร่โพธิลักษ์ก็ยิ่งจะเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเก่งนะอ่านทุกในใจของอาตมาออกว่าอาตมามีทุกข อาตมาบอกว่าอาตมาสิ้นทุกแล้วไม่เกิดอีกเป็นอุเบกขาถาวรคุณก็ฟังไม่เชื่อเ <c oughs> นี่ยอาตมาออุตริมุตธรรมกันจัดขนาดนี้แล้วคุณก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อแสดงท่าทีเหมือนผู้หญิงไหมคอนนิดนิดไม่เชื่อคอนนิดนิด <c oughs> แา่ตุกตาทองอาาทองเนาะดา ร, า ต, ต, าาราตุกตาทองแท้โ <c oughs> พธิละก็ยิ่งจะเป็นทุกข์มากขึ้นเต่านั้นเหก็เพราะที่จ้องจะไปเถียงกับคนทั้งโลกไงไม่เถียงอาตมาถกอาตมาพูดสิ่งนี้ก็สิ่งนี้ไม่เถียงใครบอกแม้แต่คุณก็ไม่ได้เถียงที่พูดนี้ก็ไม่ได้เถียงคุณเลยอะไรร่วมกันรู้ตรงกันอาตมาก็ว่าใช่อันไหนไมไม่ใช่อาตมาก็ว่าไม่ใช่ไม่ได้เถียง ไม่ไดดันตุลังให้ถูกไปตรงกันอยู่ก็ยังไปเถียงกันอยู่ไม่ไม่ถูกกันไอ้ติดลงกันเหมือนกันก็ไม่รู้เรื่องวนอยู่นั่นแหะสับสนเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ได้เถียงเลยอะไรถูกคุณว่าถูกอาตมาก็ว่าถูกอะไรคุณพูดไม่ถูกอาตมาก็ว่าไม่ถูกตามภูมิปัญญาขอาตมาอย่างจริงใจนะไม่ได้เถียงอะไรไม่ต้องการเอาชนะด้วยบอกความจริงแต่คุณไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะอาตมาคุณไม่เชื่อก็เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรอาตมาไม่ได้ขอข้าวคุณกิน นี่พูดจยางคนพานนิดหน่อย อ, อ่มันเป็นภาษาคนพานนิดหน่อยแต่สิ่งที่อรหันต์ทั้งหลายย่อมจะมีเหมือนเหมือนกันถึงนั้นก็จอมคือ stadium. ความเบิกบานโอ้โหแล้วคุณไม่เห็นความบานเบิกของอาตมาบ้างตั้งแต่ที่อาตมาแสดงธรรมนี่อาตมาบานเบิกอยู่ตลอดเวลาแต่คุณก็ไปมองในตรงความเครียดด้วยอาการที่อาตมากำลังปรุงแต่งตอนนั้นอาตมาพรุงแต่ง decade. อนการมาเบิกบานอาตมาก็ไม่ได้ปรุงแต่งและวไปติดอยู่ไ อ, อ้การปรุงแต่งที่เคร่งเคร่งเอาจริงเอาจังเนีอาตมาก็เอาจริงเอาจังให้มันเป็นท่าทางที่เอาจริงเอาจังแต่อาตมาไม่ได้เครียดเลยจริงๆไม่ได้เครียดเลยไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแต่คุณอ่านตามอาการนะเรียกว่ามาอาการปริวิตกะแท้ๆอ่านตามอาการแล้วก็เดาเอาพราะเจ้าจสอนว่าอย่าอย่าไปทําเชื่อตามมา มาอาการปริวิตกะเอาตามอาการอย่างนั้นแค่นั้นไม่พอนะนะนะโพธิรักก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเหก็เพราะที่จ้องจะไปเถียงกับคนทั้งโลกไงจริงอยู่อรหันทั้งหลายอาจมีจริตที่ต่างกันได้แต่สิ่งที่อรหันทั้งหลายย่อมจะมีเหมือนเหมือนกันสิ่งนั้นก็ย่อมคือความเบิกบานแต่ทําไมคนทั้งหลายจึงรับรู้ได้ว่า เสด็จปู่โทธิรักถึงดูเครียดนักเล่าพวกคุณเห็อาตมาเครียดไว้ที่แสดงทำอยู่ทุกวันเนี่ยฮะเออคุณอ่านยังไงอ่านไม่เครียดแต่ทำไมคุณแปดเจ็ดชูนหน้าอ่านอาตมาว่าเครียดอาตมาก็สารภาพโดยซื่อเลยนะว่าอาตมาไม่รู้จักความเครียดมันเป็นยังไงไม่เคยมีความเครียดในชีวิตก็เลยได้แต่เดาวออ่าอความเครียดมันคงเป็นความตึ ง, ตง เป็นปวดปว ด, ดหัวตุกตมันเป็นอะไรมันอาตมาว่าอาตม า, าไม่เคยเครียดนะเครียดมึนมันไม่มึนมันมันไม่ตึงมันไม่อะไรอย่างที่เป็นจนกระทั่งมันไปขบไปเถียงไปถกไปเอาเป็นเอาตายอะไรกับใครหรือไปอย่างได้อะไรก็นจนเครียดจนดิ้นพราญไม่เคยเลยหรือไม่ไดิ้นนะมันก็ปวดเพมันไม่ได้ดังใจมากเครียดเอ้ไม่เคยนะอาตม า, าไม่เคยเป็นเอาละ อาตมาก็บอกความจริงในะคุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแล้วบอกล็บระเนนะว่าเนี่ยสเสด็จปูโป่โพธิรักถึงดูเครียดนักเล่าเนี่ ย, ยบอกเล็บไม่ได้ไซโคยืนยันว่าได้พูดจากความรู้สึกจริงๆใช่ความรู้สึกของคุณคือมาอาการะปริวิตกะที่คุณดูความรู้สึกของคุณเกิดจากการเดาตามอาการที่ดูอาการอาตมาและคุณก็เดานะจ๊ะ ผิดนะจ๊ะเดาผิดพระพุทธเจ้าสอนแล้วอย่าไปตัดสินเชื่อตามที่เราเห็นแค่อาการอาการปริวิตกะเท่านั้นแล้วก็มาเดาเอาว่านี่ใช่ยเยเครียดเครียดนี่เครียดก็มันไม่ได้เครียดนะคือเอาขาก็คงจะเห็นว่าถ้ามันเป็นเรื่องครับ ปันปรุงแต่งให้เอาจริงเอาจังตัวนั้นถ้าเขาปรุงขนาดนี้เขาคงเครียดอ่ะใช่ผมูแล้วถ้าเกิดผมปรุงอย่างพวกครูผมก็อาจจะเครียดก็ได้เพราะว่ากําลังจิตผมไม่ถึงใช่แต่ว่าเขาขงเคงคิดถ้าเขาปรุงแบบพวกครูเดี๋ยวเขาคงเสร็จเหมือนกันแหละไปไม่ได้ครับนี่แหละคือส จ, จานุโลมิกยานอันไม่เท่ากันอตมามีสจานุโลมิกยานอสามารถที่จะอนุโลมแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องพวกนี้เล่นขายข้าวขายมก ข้าวใครเข้าแกงเล่นหมเข้าหมากแกงกับลูกๆโดยเล่นจริงนะเนี้เอาอะไรมาเป็นสมุติเป็นธนบัตรเอาอะไรมาทำมุดเป็นเยี่ยวใส่ทรายแล้วก็เอาทำามาตักเป็นขนมครกเอ า, เ อ, าอัตมาเคยเล่นจริงๆนะใครเคยเล่นบ้าง เยี่ยวใส่ทรายเนี่แล้วก็มันก็เป็นก้อนแล้วก็ตักเป็นขนมครกออกมาเล่นเคยใช้แต่น้ํำผสมดินครับเอ้ยสิเยี่ยว <ๆ S 1> นี่แหละไม่ได้ใช้น้ําเท่านั้นหรอกไม่เคยใช้เยี่ยวครับก็เรื่องของคุณแต่ผมเคยอ่ะใช่ไหมเราก็เล่นจริงจังสนุกออัตมาก็ไม่มีปัญหาเล่นได้นะ น, ะนี่ก็เหมือกนกันการเล่นแต่อัตมาไม่ได้รู้ถือว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งจริงคือผมเคยกับผมตั้งแต่ผงปรุงอะเวลาปรุงที่จะ พูดอะไรจริงจจังเนี่ยแต่ว่าของผมดูของอาการของผมน ะ, ะจะมาแบบพลิกปุ๊บแบบเบิกบานแบบพวกครูเนี่ยผมทําไม่ได้อ่าใช่เพราะว่าม้างมันค้าง ม, ม, ม, มันไม่มีมุทุพุทธาตุ ค, ความไวเร็วความอ่อนของจิตมันต้องปล่อยวร ะ, ะยะหนึ่งนะ ค, ความอ่อนของจิตเนี่ดัดได้เร็วปรับได้ไวมุทุพูทธาตุเนี่ยหรือมุทุภูตาที่เป็นวิการที่เป็นมุทุภูตาก็เป็นวิการรูปห้าเนี่ย คุณไม่สามารถรู้จากว่าคุณมีมุทุภูตายไม่ใช่มุทุมุทุตามุทุภูเตมุทุพูธาตุมุทุพูตธาตุธาตุจิตที่เรียกว่ามุทุเนี่ยมันมีคุณลักษณะขนาดไหนและมันเก่งขนาดไหนของแต่ละคนก็ต้องฝึกเอาเพื่อจะเกิดได้อย่างผมฝึกผมก็มีมุๆๆทุตธาตุธาตุของผมที่สามารถเป็นมุทุตาที่ได้ไวเร็วครับอคือผมต้องเกตตัวเอง啊 พ, พ็ควรกลับปุบเลยแต่ผมสึกผมทำไม่ได้เพราะว่าปรปุงปุป๊บเราต้องปล่อยอะไรไปอีกระยะหนึ่งครับจ น, นให้มั น, มนติดมันยึดอยู่นั่นแหละคืออาการอุปท า, านยึดติดอยู่รหรืออภินิเวศายะมันยึดของมันจริงๆครับนะเพราะงั้นคนที่ยึดมันยึดจริงๆอย่ามานั่งพูดเลยแต่ไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนไม่เรียนรู้จริงมันไม่มันไม่ได้เป็นจริงไปได้นะอาต่อเดี๋ยวไม่พอเวลา ยังไม่ได้อธิบายเลยว่าจะอธิบายโอ้โหศาสตเต็มปึ ng มานั่นเนี่ยอีกค้างไว้ดีแล้วเลยหลายงวดแล้วยังไม่ได้ออกเลยครับนะถึงไหนแล้ววะถึงตรงไอ้ที่บอกว่าเครียดครับมันจะเครียดมันจะมีคำว่าเครียดนะมองเลยว่าเครียดว่าอะไรอครับไม่ได้ไซโ ค, คยืนยันได้ว่าพูดจาด้วยความรู้สึกจริงๆรอ้าวแต่ถึงแม้ สัมผัสที่6จะยังไม่ใช่ ว, วิปาานะัสนาญาณนะสัมผัสที่หยังไม่ใช่ยังแย้งอธรรมาอยู่ว่ า, า 6, ว, วิปัสนาไอสัมผัสหนี้ไม่ใช่วิปัสนาญาณนะจะยังไม่ใช่ ว, วิปัสนาญาณตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้จริงแล้วมันหมายว่าใช่หรือไม่ใช่ของคุณเนี่ยแต่ถึงแม้สัมผัสที่หจะยังไม่ใช่ ว, วิปัสนาญาณตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้จริง <plastic. S 2> <fight. S 1> ก็ขอบังอาจชี้แนะให้กับโพธิรักษว่าหากคนเราแค่ตาบอดหรือหูหนวก พรรษาอื่นๆที่เหลืออยู่ตาเขาโหสองอย่างเท่านั้นนะพิการผัรษะอื่นๆที่เหลืออยู่ก็ยังพอจะเป็นไปได้แต่หากคนเราใจบอดหาเรื่องจว่าธรรมาพรโทนึ่งว่าจะไปอธิบายธรรมะโอ้หาคนเราแต่แค่ตาบอดหูหนวกพรรษาอื่นๆที่เหลืออยู่ก็ยังพอจะเป็นไปได้แต่หากคนเราใจบอดหรือสูญเสียผัรษะที่หกเสียแล้วผรรษาทั้งห้าที่เหลืออยู่ ก็ดูเหมือนว่าจะบอดตามไปเสียทั้งหมดด้วยนั่นนะ่ะสิแล้วมันจะบอดไปหมดเลยเพราะว่าไม่เอาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเลยนะคุณนะ่ะอย่าว่าแต่เอาแต่แค่มันจะบอดแต่แค่ตากับหูเลยคุณเล่นปิดทั้งห้าทวารเลยโอ้ยน่ะมันก็ต้องบอดตามไปเสียทั้งหมดทีเพราะก็คงจะใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติทํามไม่ค่อยได้มากแล้วห แล้วใครแล้ววะไม่ใช่พระชน์ฉะนั้นสัมผัสที่หกนี้จึงถือเป็นเบสิกเบสิกซะด้วยนะสัมผัสที่หกเป็นเบสิกและเบสิคหรือแบบพื้นฐานนะแล้วทําไมไปวนเอาจากข้างในอย่างเดียวลึกๆอย่างเดียวล่ะไอ้ไปปลายๆลย่ละทําไมไม่มาคลุมหมดแล้วเบสิกเนี่ยมันแค่พื้นต้นอะฉะนั้นสัมผัสที่หกนี้จึงถือเป็นเบสิกอย่างดีที่จำเป็นต้องมีอ นี่เราอยู่ในพยัญชนะภาษาแต่ไม่รู้สภาวะจริงเพราะเป็นฐานของการปฏิบัติเอาอีกแล้วเป็นฐานของการปฏิบัติวิปัสนาอีกแล้วอย่างแท้จริงที่จะเปนจะต้องรู้ให้ได้ว่าทั้งนามทั้งรูปโดยสามัญลักษณ์แล้วล้วนเป็นในิจ่ยังทุกขังนัตตาโอ้พูดเอาพยัญชนะพูดถูกพูดแต่คุณไม่ทําเออ ที่จําจะต้องรู้ให้แจ้งโดยสามัญจะได้ว่าทั้งนามทั้งรูปโดยสามัญจะรักแล้วล้วนเป็นนิจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็เพราะที่มโนวิญญาณหรือสัมปัตติหนั้นสามารถไปรู้แจ้งนามรูปที่เป็นฟั ง, งดีนะยกภาษาเทคนิคข้อเท็มด้วยนะาสามารถไปรู้แจ้งนามรูปที่เป็นอจชะตาธรรมาคือรูปภายในที่สมมุติว่าเป็นตนได้ และทั้งยังสามารถไปรู้แจ้งนามรูปที่เป็นพระหิทธ า, าธรร ม, มาคือรูปภายนอกแต่คุณปิดตาแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงคุณปิดหูแล้วคุณจะรู้ได้ไงภายนอกจ้ะแล้วบอกว่ารู้ทั้งรู้ทั้งก็มันทั้งที่ไหนละคุณเอาแต่รู้ในอัจจะตาเท่านั้นไอ้พระหิทธาคุณไม่ดันออกมารู้ขอภัยเจ้คําว่าดันก็ดันนั่นแหละเพราะคุณดันเอง คุณไม่ดันออกมารู้กับเขามางสักทีอะนะทั้งยังสามารถไปรู้แจ้งดามรูปที่เป็นพระหิทธาธรรมาคือรูปภายนอกที่สมมุติว่าเป็นผู้อื่นได้ด้วยเป็นผู้อื่นได้ด้วยนี่ก็ไปเห็นอย่างแม็กจิกเห็นแท่งทุกเขาเดินไปไม่รู้เขาจริงไม่จริงคนนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วยังจําเขานิฐานของเขานั่งบอเร์ไซค์ตามมาแล้วเขาก็โชว์ว่าฉันสวยไม่จ๊าไปอ่านรู้ใจเขาด้วยว่าเขาถามเขาาถามว่าเขาสวยไม่จ้า ไม่รู้เขาถามจริงหรือไม่จริงดํนาน้ําคิดเป็นตัวเองรู้ไปหมดอาจจะจริงก็ได้นะแต่อัตมาว่าใครตัดสินคุณล่ะว่าเขาคิดอย่างนั้นแล้วคุณก็เล่นเดาส่งไปเลื่ออย่างงี้แหละเอาแต่นิทานเดาเด า, ดามาให้อัตมาฟังนะเขาก็เลยเดาวพ่อครูไปด้วยเดาอัตมาด้วยใช่ครับนะนะเหมือนกับเช่น นะยกตัวอย่างนะเหมือนกับเช่นที่ไปเห็นรูปกายของเปเรตเปเรงเป็นบโน ม, มยยไอตายกันแเช่นไปเห็นรูปกายของเปเรตหรือไปเห็นรูปกายทิพของเทวดาได้เป็นต้นซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นจําต้องรู้เสี ก, ก่อนว่าตนเองมีหน้า ท, ที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือใช้สติระลึกรู้ให้ทันกับนามรูปที่กําลังเกิดดับอยู่อย่างต่อเนื่อง ฟังดีๆนะตรงนี้เขาจะเห็นจิตอย่างเดียวจิตมันเกิดต่อเนื่องจิตมันเกิดต่อเนื่องจิตมันเกิดจิตมันดับจิตมันเกิดเจตมันดับนะสติรู้ให้ทันกับนามรูปที่กําลังเกิดดับอยู่อย่างต่อเนื่องก็เพื่อที่จะให้ทันกับปัจจุบันขณะนั้นให้ทันปัจจุบันขณะในใจก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะมองออกมาข้างนอกแล้วมาเห็นการเกิดดับที่ต่อเนื่องอยู่ข้างนอกได้เพราะเขาไม่ได้ฝึกทั้งนี้มาหาความจานาญข้างนอกยังไม่ได้ จนกว่าสัมมาสมาธิจะบังเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสนาญาณตัวแรกคืออุทภพยญาณที่เห็นนามรูปได้ว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแล้วนั่นเองจึงเป็นที่มาของภาวนามยปัญญาหรือคือปัญญาตัวจริงตัวแรกที่เริ่มนับจากญาณ น, นี้ไปจนกว่าจะมีมัรคญาณอันเป็นที่สุดก็เพราะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอริยสัจสี่ บรรลุเป็นโซดาใจแล้วนั่นเองจึงสรุปเลยว่าความรู้แจ้งมีถึงสามระดับคือหนึ่งรู้ได้รู้ด้วยสัญญาสองรู้ด้วยวิญญาณอังเร็บเท่ากับสมปัตที่ห 3. สารู้ด้วยปัญญาเังเล็บเท่ากับวิปัสสนาญาณสุดท้ายนี้ขอถามว่าสิกขามานนี่คนละเรื่องแล้วนะ สุตานี้เขาถามว่าสิกขมาตคือผู้ถือศีลสิบใช่หรือไม่ใช่ส่วนสา ม, มเณรก็คือผู้ถือศีลสิบอยู่แล้วฉะนั้นถ้าสิกขมาตเป็นผู้ถือศีลสิบจริงและถ้ายกเอาเหตุผลอย่างโพธิรักมาอ้างแล้วแล้วก็ศิกขมาตก็ย่อมคือสามเณรเหตุผลเพราะถือสิบอย่างเดียวกันนั่นเองก็เหมือนกับที่โพธิรักบอกว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้ และเมื่อ น, นามก็คือสิ่งที่ถูรู้ได้ฉะนั้นนามก็คือรูปนั่นเองสรุปว่าธรรมะของโพธิ ร, ระคือธรรมะเสมือนจริงใครมันเสมือนใครมันเป็นของจริงที่เป็นจริงอเขาหลับตาพูดแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นจริงไอ้อัตมาบอกว่าลืมตามมาดูสิเดี๋ยจะเห็นจริงไอ้ข้างในนะั้มันเห็นอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ข้างในนะั้นมันต้องเห็นเพราะมันเป็นตัวเห็นตัววิญญาณนี่เป็นตัวเห็นนะ ตัวเห็นนะไม่ใช่อีเห็นที่มันวิ่งกินไก่นะมันตัวเห็นเลยนะมันเห็นมันมันตัวมาออกมาเห็นเลยมันร่วมกับตาหูจมูกิีกายเลยนะเพราะฉะนั้นใครมันเสมือนจริงกับไครแต่แท้จริงเป็นธรรมะเทียมค่ว่าเราธรรมะเทียมธรรมะเส ม, รรมเือนเหมือนจริงคือเราธรรมะเสมือนจริงนะเป็นของเทียมสรุปประโพิลักษ์ว่า ง, งั้นอ้าวอาตมาก็สรุปบ้าง ว่าคุณแปดเหเนี่ยนะยังไม่มีปัจจัยการทางปรมัตธสัจนะแค่พอรู้อิทธปัจจยตาของบัญญัตริรู้อิทธปัจจยตาของบัญญัติหรือว่าของพยัญชนะหรือของตักกะบ้างเท่านั้นเองแต่ปรมัตมธสัจจะจะยังเข้ า, ายังไม่เข้าถึงธรรมนั้นยังรู้แค่สมมติสัจจะ สัจจะที่เป็นสมมุติยังไม่อย่างรู้ธรรมในธรรมอันเป็นธรรมารมแท้เลยแม้แต่อารมณ์ของการสัมผัสภายนอกคือโพธพารมคุณ8ปดศห้าก็ยังแยกจากธรรมารมไม่ได้เพราะไม่รับการศึกษาที่เริ่มไปจากมีปัสสาะแล้วก็จะไปรู้มโนปวิจารสิปสัมผัสแล้วเนี่ยจะอ่าน เวทนาในเวทนาเป็นมโนวิจารมโนภวิจารสิบแปดเราก็จะแยกออกทั้งเคหะสิตะเวทนาหรือเนคขมะสิตะเวทนาเมื่อทําเนคขมะเป็นก็จะแยกออกทั้งสองอย่างได้เห็นเวทนาในเวทนาในกรตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นนี่แหละเรียนรู้สติปัฏฐานสี่อย่างลืมตาตัณกายนอก แล้วเข้าไปเป็นอุปาทายะรูปเลือนเข้าไปเป็นกายในเป็นองค์ประชุมที่เนื่องต่อกันเข้าไปเรื่ออุปาทายะยังยึดอุปาทายะที่แปลว่ายึดยังยืดถือยังถือแบกเข้าไปตามข้างในนะเป็นกายในกายเป็นองค์ประชุมและองค์ประชุมที่ว่านี่แหละมันก็คือตัวนามกายนี่เป็นนามแล้วนะกายในกายนี่เป็นนามปรุงปลุกเป็นสังขารโอ้เป็นสังขาร เทวดาโ อ, โอ้ชอบเว้ยมันเป็นสัตว์ขันสัตว์นรกโอ้ไม่ชอบเว้ยเป็นอิทารมหรืออ น, นิทารมเป็นอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบเพราะฉั้นอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบนี่เรียกด้วยพยัญชนะว่าเวทนามันเป็นอารมณ์มันประชุมกันเป็นกายในกายมันชอบปุ๊บมันไม่ชอบปุ๊บก็รู้แล้วโอ้เอ็ น, นี้เป็นผีเอ็ น, นี้เป็นเทวดาเห็นเทวดาเห็นผีจากอาการลิขัตนิมิต ไม่ได้เห็นผีจากเส้นแสงสีเสียงไม่ได้เห็นจากรูปร่างตัวตนปัน่นรูปปันร่างเขามารู้มาเห็นไม่ใช่เห็นด้วยวิการะรูปที่เป็นสภาพลีลาเป็นสภาพที่ไม่มีตัวสีตัวสันตัวเส้นตัวแสงอะไรหรอกแต่เป็นอาการรูปเป็นรูปที่เป็นอาการของมันเท่านั้นเองว่ามันจะเป็นยังไงวิการะคือไปต่างๆวิการะ นี่คนวิการมันไปยังต่างได้หมดมันเป็นยังไงก็รู้มันชัดว่ามันมีลีลาไปหาเป็นผีเป็นเทวดายังไงมันเป็นปุ๊บเป็นปั๊บเลยนะเปลี่ยนได้ปุ๊บได้ปั๊บเปลี่ยนได้เร็วคนได้เป็นได้เร็วกันได้เร็วกันได้เปลี่ยนไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านตรงนี้บอกว่าผมยังเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่มันก็ยังจะชาอยู่คนที่เก่งมุทุพุทธาตุเก่งนจิตที่ทําให้เป็นลักษณะมุทุของตัวไวเร็ว แต่อ่อนคิดอ่อนดัดได้ไวรู้ก็เร็วเชิงปัญญาก็รู้ไวรู้เร็วเชิงเจโตก็ปรับได้ง่ายปุ๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวเป็นเนี้ยเดี๋ยวเป็นอย่างนเป็นย่างี้เป็นงี้ได้โดยไม่ติดไม่ยึดถ้าไปติดไปยึดอยู่ก็ช้าถ้าไม่ติดไม่ยึดเลยเร็วเพราะงั้นพระอรหันต์นี่จะเร็วเปลี่ยนเร็วปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะจะได้เร็วนะเพราะงั้นถ้าไม่ฝึกอย่างนี้ ก็จะไม่สามารถที่จะรู้เวทนาในเวทนาหรือมโนโปวิจารณ์สิบแปดเพราะนั้นพูดให้ตายก็ยากที่จะถ้าผู้ใดไม่รู้จักมโนโปวิจารณ์สิบแปดแยกไม่ออกไม่มีทางเป็นอหรหั น, นนะต์ขรรคอวิญญาณนะเพราะฉนั้นปฏิเสธยิ่งปฏิเสธการเรียนรู้นะที่มีผัสสะเป็นปัจจัยนะในการเรียนรู้ฝึกฝนก็จะเป็นอย่างคุณแปดเจ็ดูนยานินแล้วนะ สัมผัสที่หกของคุณแปดเจศูนห้าจึงไม่เป็นวิปัสนาญาณก็ถูกแล้วเขาก็บอกแล้วสัปดาหที่หกยังไม่เป็นปัจนาแต่ประเดี๋ยวว่าเริ่มต้นเป็นวิปัสนาญาณได้ประเดี๋ยวเขพูดพูดมาทําไมเริ่มต้นก็ได้ก็เริ่มที่มันเป็นเบสิกคุณพูดเองเบสิกคุณใช้ศัพท์นี่มาเป็นพื้นฐานวิปัสนาญาณก็คือสัมผัสรู้เนี่ยนะเพราะฉนั้นทําไมอย่างนั้นของคุณก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในหลุมดํา เป็นแมจิกของคุณอยู่ตลอดกาลนานอย่างนี้ไปอีกนานเท่านานถ้าคุณยังคืนอะไรอยู่ขออภัยนะคิดว่าวันนี้ที่พูดไปนี่คุณเอกสุน่าคงจะพอเข้าใจอะไรได้บ้างอยู่จริงๆนะอาตมาว่าอย่างนั้นนะจริงๆนะเพราะงั้นก็ลองมาฟังดูบ้างว่าเรื่องของวิญญาณทาศนวิญญาเวลาจะมีอยู่นะทีนี้อาตมาพูดเองเลยบรรยายเองเลย ถ้าคุณแต่จะสุนห์ห้าจะตั้งใจฟังก็จะเป็นมหากรุณาที่คุณมากา เ, าเรื่องวิญญาณนี่คนจะเห็นวิญญาณกันได้จริงๆเนี่ยเอาต้นสือไปเลยก็ได้ใครจะเห็นวิญญาณก็ได้จริงๆเลยนะ่ะสามตอนท้ายคอลัำทายล่างกลายเนี่ยใครจะเห็นวิญญาณได้จริงๆก็ต้องมีวิปัสสนาญาณ ใครจะเห็นวิญญาณยังต้องมีวิปัสนาญาณซึ่งเป็นการเห็นของจริงด้วยการสัมผัสของจริงใครจะเห็นวิญญาณวิญญาณของตนนะอย่าไปเดินดันทุรังไปเห็นวิญญาณของคนอื่นเห็นธาตุรู้ของตนเองในตนเองนี่แหละจะเห็นกันได้จริงๆนี่ต้องมีวิปัสนาญาณเรียกขั้นนี้เลยเรียกว่ามีวิปัสนาญาณญาณที่เห็นปัสจับปสตินีิหรือปัจจับแปลว่าเห็นมันสัมผัสเห็นเลย ซึ่งเป็นการเห็นของจริงด้วยการสัมผัสของจริงนั้นแม้จะเป็นนามธรรมาขั้นละเอียดสุดยอดปานใดปานใดความละเอียดมากละเอียดเรื่อยๆสุดยอดในสันเรลวกันนิพุนาภาษาบาลีจนถึงขั้นนิพ า, านนิพานยิ่งสภาวะละเอียดมากแต่ก็เห็นจะมียานย่างรู้สภาวะนี้ได้นะผู้ที่สามารถที่จะเห็นละเอียดสุดยอดถึงขั้นปานใดปานใดก็ต้อง เกิดจากปัจสติคือเห็นและเป็นการเห็นที่ต้องมีสัมผัสหรือถูกต้องภาษาไทยเรีว่าถูกต้องสัมผัสถูกต้องนะผัสสะหรือพุทธิตะจึงจะเป็นปัญญาหรือความรู้ที่เรียกว่าสมมัิปัญญาที่เข้าขั้นปรมัตตธรรมคือภาวะที่เป็นอยู่ทรงอยู่หลัด เป็นปัจจุบันธรรมเลยนะเห็นอยู่สัมผัสอยู่เห็นตรงๆ ต, ต, ตอนนั้นเลยซึ่งความหมายแท้ๆของคําว่าปรมัตตธรรมนั้นคือภาวะแห่งธรรมะภาวะแห่งธรรมะที่เป็นความจริงสูงสุดหรือภาวะที่ทรงไว้อยู่ในขณะนั้นเป็นความจริงสูงสุดทรงไวอยู่ขณะ น, นั้นใขณะที่เป็นปัจจุบันธรรมนะเป็นทิฏฐธรมธรมทิฏฐธรรมเป็นธรรมะที่มีปัจจุบันอยู่เห็นอยู่ อยู่ในขณะนั้นเป็นความจริงสูงสุดอันมีหลายระดับและภาวะที่ว่านี้เป็นภาวะที่เป็นภาวะขั้นจิตเจตสิกรูปปรรัรฐมคำว่ารูปคำนี้อยู่ในสี่เนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพานเนี่ยรูปคั้นนี้เป็นรูปปรรัรฐมลึกเข้าไปถึงอรูปปรรัรฐมนะเรียกว่ารูปกาย นี่แหละลึกเข้าไปจากสัมผัสนอกนะแล้วเลื่อไปถึงในนี่เรียกว่ารูปกายเพราะต้องรู้ด้วยการสัมผัสตลอดไปถึงนามะมกายจากรูปกายในสัมผัสตลอดเข้าไปถึงนามะกายที่เกิดจากนามรูปอันได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการนี่เรียกว่านาม พระพุทธเจ้จาตัดเอาไว้ในพระธจรมปิฎกเล่มสิบหกนี่นะท่านตรัสไว้ชัดในพระธรรมปิฎกเล่มสิบหกเพราะงั้นผู้ที่อ่านทั้งรูปปกายมีองค์ประชุมจากตาตาหูจมูกลิ้นกายรวมเข้าไปแล้วก็ตามก็เป็นเป็นอุปาทายรูปเข้าไปรุ่นนามกายข้างในซึ่งในนามกายข้างในนี้ก็จะเห็นอนงค์นนในปฏิจุมบัติพระพุทธเจ้ตาตัสไว้ว่า ถ้านามที่จะใช้ในปัจสุบันต้องให้มีต้องศึกษาหนึ่งนิพพตศสองต้องมนสิการเป็นมีมนสิการด้วยนะห้าอย่างเนี่ยต้องทำใจในใจเป็นนะและมีภาษาแล้วก็จัดการทำใจในใจให้เป็นโดยมีสัญญาเป็นตัวกำหนดอ่านจากเวทนาอ่านจากอารมณ์เป็นมนโนปวิจารเวทนาในเวทนามนโนปวิจารสิบแปดนี่แหละ แยกแยกให้เป็นแล้วก็รู้เจตนาของตอนคือตัณหาคือความต้องการต้องการรู้ต้องการกําจัดต้องการเอาตัวเหตุปัจจัยตัวที่เป็นตัวรายอคศิเนี่ยออกให้ได้จนรู้ตัวสักกายะแปลว่าองค์ประชุมของกูเองสักกะนี่องค์ประชุมอะไร องประชุมของตัวสําคัญตัวตนตัวสาคัญของตัวกิเลสสักกายะคือตัวตนตัวสาคัญเฉพาะเลยเป็นเพราะพนาวของตัวเองนี่ตัวนี้แหละกิเลสตัวนี่แหละตัวอกุศลจิตอย่าไปมั่วจิตทั้งหมดจิตทั้งหมดมีธาตุรู้ตัวนึงเยอะไม่รู้กี่เจตสิกนะ ที่แจกันไม่เป็นเจตสิกกันเท่าไหร่อ่ะนะทั้งรายห้าสิบเอ็ดห้าสิบสอง 51, ตัวอะไรนั่นนะนะเพราะงั้นอย่าไปมั่วเอาตัวที่มันเป็นอกุศ ล, ลเจตสิกตัวที่คุณจะฆ่าในขณะผัสสะนั้นด้วยในเรื่องนี้ขณะนี้กำลังสัพัดฟักทองโอ้โหอย่าเอาไปต้มบวชแกงบวชจังวะอะไรเงี้ยคุณก็อ่านตัวนั่นได้ออก และจัดการกับตัวนั้น่เป็นของจริงขณะนี้เลยนี่เนี่ยเกิเป็นสัตว์นรกตัวจริงนียมันกำลังอยากได้ฟังทองไปต้มไว้เนี่ยไปบวชไม่เอานี่ของเขาอ่ะไม่ใช่ของเรานะเอถ้าอยากได้จริงจรงก็ต้องซื้อไปซื้อก็ขอเขาไม่ให้อะไรไปไปแย่งเขานะอะไรเนี่ยเนี่ยรายละเอียดก็เล่าเป็นนิทานเป็นเรื่องราวเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยไปให้ฟังน่ะ เหลือไปดูเวลาแล้วครับจะเหลืออีกเท่าไหร่ให้คุณจะมีมั น, ม เ, นรรเลยเวลามาตั้งหลายนาทีนี่ฟื้นจะห้าสิบสามยังเหลืออีกเป็นสิบนาทีนะครับไม่เป็นไรครับมันเลยไปเกินกว่าสิบไปเกินก็เลยสามเมื่อกี่นถ้าสิบนันมันได้เจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดมันเหลือ บ, บวกไปอีกสามมันเลยเกินกว่าสามเมืเ่อก 3, ี้เลยไปเกินกว่าสามผมไม่ยอมอ่ะประมาณสิบเปเวลาของผมเนี่ยมันราคาแพงนะเอาของผมไปไม่ได้นะ อันได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีผัสสะคุณทําใจเป็นมนุิการเป็นคุณก็ใช้สัญญากําหนดรู้อ่านเวทนาในเวทนายได้และรู้เจตนาของตนว่าเราจะทําวิภาวะตัณหาทําตัณหาดับพบต้องการรู้ต้องการรู้ตัวจะต้องดับไม่ใช่ตัณหาจะต้องสร้างกามาตัณหาต้องสร้างภวะตัณหาให้แก่ตนแต่ตอนนี้กําลังเรียนกามาตัณหาตากระทบรูปอยู่เนี่ย มันห ย, ยาบหยาบเนี่ยเรียนรู้ก่อนดีไม่ดีมันจะปร่นเขามันจะจี้เขามันจะแย่งเขาน่ะมันอบายสัตว์มันสัตว์อบายเ น, นี่เฮ้ยมีใครเห็นไหมนี่ไม่เห็นเอาไว้ขโมยไว้นั่นมันอบายสัตว์แล้วกําลังจะเป็นสัตว์นรกที่จะไปขโมยเขาหรือเปล่าดูตัวเองเข้าตัวเองน่าจะเป็นอะไรอยากได้จนถึงขนาดนั้นมันเลวขนาดนั้นหรือเปล่านี่คืออ่านของจริงมันหยาบนะีอย่างที่พูดเนี่ย มันรับยาแบบนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าสัตว์นรกเป็นแบบนี้แต่คุณกเบสสัตว์นรกจะต้องมีปากจุ๋ ข, ขายาวมือยาวพุงโตเ อ, อ่อหรือว่าสัตว์ผีกระสือมีแต่พุงว่ามีแต่ไส้ตับไตไส้พุงห้อยรอยโอ้ยคุณก็ไปถูกหลอกมาอยู่ยงั้นละผีอ่ะไอ้ผีที่มีแต่รูปร่างอย่างนั้นน่ะแล้วก็บอกว่านี่หลับตาไว้เลยเห็นผีงี้แหละถึงจะเป็นมิปัาเนยานนะจ๊ะสัปัาห์ที่หกนะจ๊ะ ถึงจะเห็นอย่างนี้เห็นผีเห็นเทวดาอย่างนี้ไออย่างนั้นอาตมาเล่นมาจนเบียแล้วจิกุชามิรารามิอัตยามิเห้ยเ้ยนี่คือเมื่อมันเมื่อยจริงๆเป็นคำบุถานอาเยของเราเนี่ยอาจจะมีซัมซิ่งลองเออเออแมอาตมาเบิกบานจริงๆนีไม่ได้แกล้งหัวเราะ ไม่ได้มีควอมเครียดไม่ได้มีความโกรธไม่ได้มีความลาบากใจอะไรก็สบายเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเนีก็คุณไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาหรอกเอาทีนี้ต่ตอ น, นิดหนึ่งนั่นเป็นนามารูปคือมีเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนตริกายัง่จะได้อธิบายละเอียดละเอียดอีกพกนี้ไม่ต้องกลัวนามห้าชนิดนี่จะขยายความให้ละเอียดเลยนี่เรียกว่านามกับมหาปูตรูปสีและอุปาทายรูปสีนี่เรียกว่ารูปนามและรูป ดังพ น, นามานี้เรียกว่านามารูปเพราะนามารูปมันมีทั้งนามทั้งรูปอ่าแล้วท่านก็แจกวิพังออกไปว่ารูปเนี่ยเอาตัวนี้นะเวทนาสัญญาเจตนาผัสสามานุสิการนะลูกเอ้ยฟังดีๆแล้วเอาไปทําให้ถูกไอ้ส่วนรูปนะ่ยมันมีมหาภูต ร, รูปด้วยนะแล้วก็มีอุปาทายรูปนะอุปาทายรูปเป็นยังไงด้วยนะโมทั้งยวงนี่แหละทั้งนามห้า ถ้ารูปอีกสองดีแหละคือนามรูปนะจ๊ะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าะจะตัดไว้ัดนะในบริบทของปฏิจจสมุปบาทผู้ปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ให้ชัดว่าพระพุทธเจ้าตัดการจำแนกคือวิพังในความเป็นนามรูปไว้อย่างที่อาตมาได้นำมาอธิบายนี่แหละในพฏะธริกดุกังกระสูรเล่มสิบหกข้อสิบสี่อันนี้ข้อสิบสี่แจกไว้เนี่ย แยกนารูปนี้แจ๊บข้อ14แม้ที่สุดภาวะที่ยอดปลายทีนี้อาตมาก็สรุปไปหาตรงนั้นแม้ที่สุดภาวะขั้น ย, นยอดที่ยอดปลายขั้นนิพพานก็สามารถสัมผัสผู้ที่เรียนรู้ดีๆเนี่ยหมดเกิดนิพพานได้ทํานิพพานนิเทในาใยใจได้ก็สามารถสัมผัสความจริงนั้นด้วยวิชาหรือความรู้ที่ต้องครบพิโมก8 ต้องครบวิโมกแปดนะฟังอดีอตอาตมาหยิบมาอธิบายร้อยมาลายให้ฟังเนี่ยอาตมาพระมาลายเนี่ยมาโปรดอยู่ในนรกเนี่ยมืเจอเต็นรกตาบอดเออไม่ใช่สัตว์นรกตาบอดอ่าเปรตหูหนวกโอ้ยอาตมามาอยู่ในนรกเนี่ยโปรดดิเจอแต่เปรตตาบอดเปรตหูหนวกอะไรอยู่เนี่ยช่วยกันยากจังนะความรู้ที่ต้องครบวิโมกแปดและต้องเข้าขั้นสัมผัส ด้วยกายใช้ภาษาเสียงสำเนียงดังๆนะได้ต้องเข้าขั้นสัมผัสด้วยกายคือองค์ประชุมเนี่ยของรูปและนามครบคันอยู่พร้อมรูปและนามครบคันอยู่พร้อมบิดหูทีนึงได้ไหมฟังให้ดีเด้โดยเป็นครูดุเป็นครูดุดบิดหูนะแต่พูดตรงนั้นไม่ไปบิดจริงหรอกอ่า ของรูปและนามครบครันอยู่พร้อมโดยมีปัญญาขั้นสมรบปัญญาอย่างแท้จริงจึงจะสัมผัสภาวะแห่งนิพพานในตนเกิดปัญญาทําให้มันดับได้มันถึงจะไม่มีสิ่งนี้เมื่อมันไม่ไม่มีจริงเป็นนิพพานและจะรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเนี่ยและจะรู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็ต้องจับต้องอยู่หรือสัมผัสภาวะนั้นๆอยู่ต้งโต้งทนโทษหลัก หลัดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฟังเทแล้วโลมนติกมากเลยนะเอพยายามแสดงท่าทีให้มันโรแมนติกไมให้มันดูเดือดขนาดนั้นเขาอย่าบอกว่าเครียดเลยมันมีภาวะดูเดือดแล้วก็โรแมนติกอยู่ในพร้อมๆกันสองสภาพเลยเนาะครับมีทั้งหนังบูและหนังโรแมนติกพร้อกันนี่แหละนักสร้างหนังมือเอกครับ จึงจะชื่อว่าของจริงสดสดหรือความจริงสดสดที่ยืนยันกันได้เป็นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเป็นปัจจุบันภาวะนั้นๆมีอยู่เป็นอยู่ทรงภาวะอยู่เห็นเห็นรู้รู้หลัดหลัดโกยพยัญชนะมาพูดมาเขียนมาบรรยายไว้หนักแล้วนะมีทั้งรูปธรรมและทั้งนามธรรมให้เรารู้อยู่มีอยู่ทรงอยู่จึงเรียกว่าธรรมะ รรมามีอยู่รู้อยู่ทรงอยู่เห็นอยู่ที่หมายถึงภาวะที่ทรงอยู่หรือสภาพที่ทรงไว้ภาวะใดถ้ามีแต่รูปไม่มีนามการตรัสรู้ในที่นั้นไม่เกิดขึ้นการตรัสรู้มีไม่ได้ถ้ามีแต่รูปไม่มีนามการตรัสรู้ในที่นั้นไม่เกิดขึ้นการตรัสรู้มีไม่ได้หรือภาวะใดถ้ามีแต่นามไม่มีรูป ก็ไม่มีการตรัสรู้หรือตรัสรู้ไม่ได้เช่นกันะจะจบลงตรงที่ว่าตรัสรู้แปลว่าอะไรตรัสรู้แปลว่าความรู้ที่เป็นอาเรียธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบและนำมาประกาศให้ผู้ศึกษาฝึกฝนปฏิบัติจนเราเกิดผลมีภาวะแห่งพุทธธรรมตามพระพุทธองค์ แล้วเราก็รู้ภาวะแห่งผลนาตกสละแอาภาวะแห่งผลจริงนั้นในตัวเราที่ทำได้ทาได้เสร็จแล้วทารู้ภาวะแห่งผลนั้นตรงตามธรรมะตามที่พระพุทธองค์ตรัสเพราะพระพุทธองค์เอามาจัดสอนประกาศเอาไว้เราก็ทำได้ ตรงตรวจสอบเช็คและตรงตามคำตัดตามพระวจนะมาตลอดคำเรียกภาวะผู้บรรลุธรรมแล้วก็รู้แจ้งพลธรรมที่เร า, าราลุนั้นๆของตนด้วยภาษาสั้นๆว่าตรัสรู้คือรู้ตามคำสอนคำตัดของพระพุทธเจ้าและเอามาปฏิบัติจนเราเห็นของจริงตามตรงตามที่พระพุทธเจ้าตัดนี่แหละเอาคำมาเรียกเป็นภาษาสั้นๆว่าอันนี้คือการรู้โพธิ การรู้อย่างโพธิแปลว่าตรัสรู้รู้สมมาสมพธิยานของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาทำเองเป็นปัจจตังเห็นเองรู้เองซึ่งคำว่าตรัสรู้นี้ใช้กับผู้บรรลุอริยธรรมของพระพุทธเจ้าจริงได้ทุกคนตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจะไม่ใช่คำที่ใช้เฉพาะกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นลูกศิษย์ก็ใช้คานี้ได้เอาลรเอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกัน อ่ะคุณสรุปเหลือเวลามีอยู่บ้างนะไม่หมดนะยังเหลืออยู่เพราะว่ายังไม่ครบ2ชั่วโมงเต็มครับวันนี้เราได้ฟังพ่อครูนะใช้ตีงูแปดเจ็ดศูนย์ห้านะไปว่านาะไปว่าตีเขา <c oughs> โอ้แล้วให้กาให้เราเป็นกากรี <c oughs> เราก็เป็นกาอาปากบอยอยู่เนี่ยนะที่จะได้ไประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็เห็นใจพวกครูมากเลยนะเวลาแสดงธรรมเนโฮเต็มที่เลยนะประเภทเป็นครูที่สอนเต็มที่อ่ะไม่ออมมือครับคือเรียกเป็นหนังกำลังขัดไหมบอกว่าขอให้ แสดงวรยุทธ์แสแนะนําอย่างเต็มที่เลยนะี่นะเธอในั้นจอมยุทธ์เก็แสดงเต็มที่แล้วปุบปุบปุบปุบปุบปุบปบเพราะครูนี่เป็นจอมยุทธที่ไม่อ้อมมืออย่างที่บอกแสดงวรยุทธ์เต็มที่เรียกว่าทุกด้านอนะ่ะไม่ว่าจะด้านบูด้านบุญด้านอะไรก็แล้วแต่เธอต็มหมดทั้งภาษาคําพูดทั้งลีลาทุกอย่างแต่ ว, ว่าเป็นครูที่ชั้นยอดที่เคยเห็นมานะจะมาดูแล้วก็ยังไม่ติดฝุ่นนะ <laughs> ยาวนานเพราะว่าระดับ การเป็นครุระดับนี้นี่โอ้โหต้องเก่งจริงๆถึงจะทำได้และภาะวะจิตต้องสูงมากทึงจะทำได้ถ้าคนธรรมดาธรรมดาอริยชนธรรมะธรรมดาต่ว่าทําไม่ได้อย่างนี้ทำก็หนุนใหญ่มากมันจะเหนื่อยมากเลยเพราะว่าปรุงประเภทติดเทอร์โบะนะไปไกลรีบแล้วเราก็ก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเราได้ฟังครูแบบนี้เนี่ยเราต้องเงี้ยวสดับฟังฟังให้เข้าใจและท่านก็ใช้ความพยายามมากที่ทําให้เราเข้าใจตามนั้นด้วยว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ย เราควรเรียนรู้ยังไงมันมืดบอดอยังไงนะควรเรียนรู้อะไรอะไรที่ชัดที่เจนเรียนรู้ในทวารหกเป็นอย่างไรทําอย่างไรบ้างนะแล้วก็เวลาดูคนเนะ่ยเวลาดูคนก็ดูอย่าดูแค่ตามอาการภายนอกเท่านั้นท่านบอกว่าวิการรูปนะคืออย่าดูแค่อาการภายนอกว่าคนเขาแสดงแบบนี้อาการปริวิตกะอาการรับปริวิตกะมาอาการรับปริวตะกมาอาการรับิ ปริวิตกกะมาอาการปริวิตกกะนะคือยัยดูตามอาการแค่รูปภายนอกซึ่งในสมัยพระเจ้าก็มีพระปราันบอกก็พอกว่าไอคนถอยไอคนถอยเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ไงคือถ้าเป็นเราเราคงบอกไม่ใช่แน่เห็นไหมเราดูตามอาการภายนอกเดี๋ยวมาดูภาษารีบุตรเนี่ยอยู่ดีอากาสาวกเบื้องขวากระโดดข้ามท้องล่องเนี่ยใช่ไหอาการอย่างเงี้ยแล้วเดินก็แบบคงกิริยาท่านคงไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าท่านเป็นเสนาบดีแห่งธรรมนะ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเดาใจเราเดาไปดไปู้เสียงสองแล้วก็ยากเพราะถ้าเราไม่มีอาเทศนาปฏิหารจริงๆเนี่ยเราก็จะไปเดาด้านเดาแล้วก็ต้องดูว่าความจริงคืออะไรแล้วก็ถามเขาด้วยนะสุดท้ายพ่อครูก็มาสรุปเรื่องวิปัสนาญาณซึ่งถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยคือวิปัสนาญาณเนี่ยเราจะรู้วิญญาณด้วยวิปัสนาญาณซึ่งเป็นการเห็นของจริงด้วยการสัมผัสของจริงนั้นๆ นะอันนี้ท่านเน้นอ่านเน้นทุกคําเลยเขียนก็เน้นอยู่แล้วนะเวลาอ่านอย่างเน้นอี ก, กเลยนะเขียนเขียนอันนี้เนี่เน้นดูในนีน่เขียนลงในหนังสือเราคิดอะไรเล่มหน้านี่แหละอันนี้ครับถ้าอยากได้ทำอ่นเล่มหน้าเขียนก็เน้นแล้วก็แม้เป็นนามธรรมขั้นละเอียดสุดยอดปานใดเล็บนิปุนาก็ต้องจากเกิดจากปัสติคือเห็นและเป็นการเห็นที่ต้องมีสัมผัสหรือถูกต้องเล็บพัสสะพุสตะ จึงจะเป็นผู้สิตจึงจะเป็นปัญญาหรือความรู้ที่เรียกว่าสัมมปัญญาที่เข้าปรมัตถธรรมคือภาวะที่เป็นอยู่ทรงอยู่หลัดหลัดนะ อ, อีกยาวที่แต่แต่ว่าคำพูดที่พ่อครูแสดงมาเนี่ยแม้แต่นา ม, มารูป5าเนี่ยภาษามนสิการแล้วก็เวทนาสัญญาเจตนาพ่อครูอธิบายตามนี้คือว่าต้องทุกอย่างมต้องมีภาษาแล้วก็มีการทำใจแล้วก็ เรียนรู้เวทนาของเราว่าจริงๆแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นในเวทนานั้นนะแล้วเรากำหนดรู้ว่าเราจะลดกิเลสอะไรท่านบอกว่าเป็นสากยะคือองค์ประชุมของจาได้ไหมท่านพูดว่าอะไรของครูเอง <c oughs> ต้องมาพูดเบานิดนึงคือมันสะใจมากเลยนะ <c oughs> พูดพูดแบบภาษาเนี้ยคือภาษาให้มันเข้าไปในหัวใจะไรทะลุแล้วก็ เราก็เจตนาที่จะลดละกิเลสดับปัจจการมัดหาเพราะว่าตัณหาของเราได้จะเกิดจากพิพัตนาของเราจะาเจตนาไปเชื่อเร่วงรู้ของคนอื่นก็มากนักรู้เจตนาตัวเองบ้างมาเรียนรู้ตัวเองอย่าไปทํานาคนอื่นหุน่นยนตก็ไม่สอนครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอกลาบขอบพระคุณพระครูได้ความเคารพอย่างสูงครับและการมรดนาทุกคนวันนี้ได้ฟังปรัชญธรรมชั้นสูงที่เราจะปฏิบัติทำบรรลุขั้นสูงสุด คั้นเป็นพระอรหันต์หรือสู่สนิพพานได้ก็ขอเจริญธรรมทุกคน